อาจารย์ครับเก่านาัส ก, การครับผมนรานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อสาสิห้าแล้วนะครับอาจารย์ครับอา <c oughs> จารย์เมื่อเช้าไปบินถ้ บ, บาทมีคนมาใส่บาทเยอะไหมครับผมก็ประมาณเท่าหนึ่งสี่ร้อยสิบกว่าอ๋อเยอะนะครับอาจารย์ ถ้า410กว่าคนนี่พระอาจารย์ใช้เวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้โหชั่วโมงคึ่งแต่อนนนี้ช่วงนี้โวคดีเราไม่ได้เดินได้แต่นั่งกันได้ไหโอ้มีมีลูกศิษย์เป็นห่วงพรอาจารย์ท่านเหนยเไม่ไหวท่านเหนื่อยคงไม่ไหวอ่านี้ครับผมนี่เป็นเป็นทุกขลาบคือเป็นเป็นเจ็บหลังเดินไม่ได้นั่งก็ ก็ดีไปอย่างถ้าไม่เจ็บหลังน้องเดินถ้าเดินได้ก็น้องเดินเดินก็น่องเดินเขาคงเหน่ลยกลายเป็นดีไปแล้วครับอาจารย์กลายเป็นดีไปมุมควาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้เป็นของดีไปก็ได้อ๋โหครับทุกอย่างมันมีทั้งนี้มันมีทั้งบวกทั้งลบถ้าเรามองดูดีๆอย่างพิงพิงหน้าหน้ารถเธอเป็นบวกไม่ได้มองนอนโลกในแง่ดีครับ มีมีคนเป็นห่วงพระอาจารย์ไลน์มาหาผมเยอะเต็มเลยครับว่าอาจารย์เดินเดินได้น้อยลงครับอาจารย์ครับใ ช, ใช่ไหมครับอาจารย์เดินได้น้อยลงกว่าเดินได้ดใช่ไหมเดินเดินได้ประมาณหนึ่งหรือสองนาทีก็ต้องต้องนั่งมึนหัวหลังครับผมแล้วก็สลับกันเดจนโยกอม่าเดินแบบเนี้เดินเดินได้สองสามนาทีก็นั่งลงพักเทิร์นทีหนึ่ง หายหายไป ล, ล้วเราเริ่กันมาเดิน 2-3 นาทีก <Okay. S 1> ็ยังพอเดินได้อยู่แั่เดินเดินไกลไม่ได้ยืนยืนนานไม่ได้ตรงนั้ก็ mm hmm. จะว่าเป็นเรื่องของสังขารร่างกายไปค่ mm hmm. แก่เจ็บตายอย่างที่เราจะคุยกันในวันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่การนี้แก้แก้ได้นะครับอาจารย์แก้ได้ <laughs> เดี๋ยวว่าก็เป็นเอกเดียครับวันี <laughs> <laughs> okay. การแก้ี่กับการเป็นเรื่องมากกว่าการไม่แก้เลยลองลองลองหลายด้านหลายมุมหลมุมด้วยกันคื อ, อไม่ใช่มองจากใ จ, จรักษาอย่างเดียวแล้วถึงมองถึงปัญหาที่จะต้องไปเดินทางไปรักษามันก็ยุ่งพอสมควรแจะรักษาใน้นานเท่าไหร่หรือวันนี้ไม่่้นแล้วก็มันก็เป็น อ, อีกเราจัดการกการ่างกายัน ไม่ไม่มีถางที่จสู้มันได้ยอมมันได้กว่ายอมอยู่กับมันตามสภาพแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องอย่างดร้อนไม่ต้องดินน้นรนแล้วอีอย่างหนึ่งใจมันก็ไม่ได้มีความอยากที่จะอยู่แล้วมันจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่ได้เลยเพิ่มเพื่อนก็อยู่ไปตามสภาพแล้วเนี่ยเราทำไป่ต้องดินเลยกับการอยู่เ mm hmm. พราะเราไม่ได้จะขาดอยู่แล้ว <Okay. S 1> อ้าเรายัต้องการสิงต่ในหองที่ก็ก็ต้องเล่นกันเาพแตถ้าราไม่ต้องการเล่ก็เสียเียงถากาั่งฟังการพูดชื่อมือปิการเราจะไนไจ่งชรไม่ด่านไ่ด้ก็ไม่อเดินยืนไม่ได้กอยืหน้าีการการอยู่การการอยู่ของอาจารย์เป็นประโยชน์กับ คนอื่นเท่า น, นั้นแล้วครับอาจารย์ครับแต่แล้วไม่ได้ไปอยู่อะไรครับแล้ก็อยู่ไปเราก็ต้องมีความเราต้องอยู่แบบไม่ขาดทุนเลอยู่ทํานอยู่ให้คนอื่นแต่ในขนาดเดียวกันเราไม่ต้องไม่มาหลอกทุ่ตัวเลยครับสร้างสร้างปัญหาสร้างครับสร้างความทุกข์าายากลําบากให้กับตัวเราในการต้องคอยดูแลรักษาเราจนจนไปรักษาแบบสบายสบายใช่ไหม ครับาสาระตามมีตามเกคยครับผมกลับกับว่าคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแล้วเมื่อตอนบ่ายฟังธรรมกันเยอะไหมครับผมก็วันนี้ก็150ร้อยห้าสิบกว่าคนรนวะมทั้งหลด ก, ก็เจ็ด้อยกว่าถ้านับถึงพวกที่อยู่ทําบ้านด้วยเจ็ดร้อยกว่าเจ็ด้อยห้าสิบกว่าคนอ๋อครับผมตอนนี้รวมกันที่นี่ก็ประมาณแปดร้อยกว่ากว่าคนนะครับพระอาจารย์ครับ อาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อกิจที่ต้องทําต่ออริยสัจสี่ครับเพราะว่าเรารู้จักทุกสมุทัยนี้รดมากแต่ว่าเวลาเราเจอจริงๆเราต้องปฏิบัติต่อเรื่องเหล่านี้อย่างไรจะกลับขอปัญญาจาก<ม>อาจารย์ครับผมเื่ทุกสมุทัยนี้เราเน้นที่เราเรียนเรื่องการทศรษฎีเรื่า ท, ทุกคือความทุกข์ใจคือความเกิดแก่เจ็บตายเวลาเรา เราเจอความแก่ความเจม็บทางกายเาจะทุกกันเราใส่ของความทุกข์ใจก็คือตัอ้หาความอยากอยากไม่แก่อยางไม่เจ็บอยางไม่ตายอยากมาเกิดเนี่เลยทําให้เราต้องมาทุกขเหตเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาทา้างนเพไม่เป็นความอยากอยากหาความสุขผ่านงทงทางร่างกายผทางตาหูจมูก น, นิ้นกายก็ต้องมาเกิดอยากอยากเสร็พรูปเสียงกินรส ต้มาตัดให้ตัวเราตัวพวกนี้ตัวอย่ากอยากเสพยุบเสียงเกิดั้นถ้าไม่เสพยุบเสียงเกิดเ้าไม่ต้องการราบรยุบเสลยุบก็ไม่ต้องมีธาตุกายอืมแล้วก็ถ้าเราละความอยากเหล่านี้ได้ทุกก็จะไม่เกิดทุกก็จะดับไปทุกที่เกิดก็จะดับไปทุกใหม่ก็จะไม่เกิดพวกหน้าชาหน้าหนาวพวกไม่กลับมาเกิดนีกนะ ก็มที่จะใช้ในการดับความทุกข์ก็คือมรรคมรรคคือการปฏิบัติทานศีลภาวนานหรือศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคที่นิองแปดอันนี้เป็นรับตัวเดียวกันแสดงในรูปแบบลักษณะที่ต่างแตกต่างกันไปรดยละเอียดแตกต่างกันไปแต่ก็คือตัวเดียวกันทุกสมุทัยนี้รับนี่เป็นเป็นเป็นความจริงที่ ผูป้ปฏิบัติต้องรู้จักวิธีปฏิบัติต่อความจริงเหล่านี้แต่ละข้อข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์นี้ต้องเรียนรู้คือต้องรู้จักว่าอะไรคือทุกข์พุทธาก็บอกว่าสิ่งนี้คือทุกข์ก็คือเกิดนี่การเกิดเพราะเมื่อเกิดแล้วมันก็ย่มเราไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพินาศจากกันซึ่งไม่มีใครปฏิเสธและไม่ทุกข์กันเวลาที่ต้อ เจอความแก่เจอความเจ็บไายได้ป่วยเจอความตายเจอ ก, การสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปปัญหาคือเราไม่ไม่ไม่เห็นกันเรากลับไปเห็นว่าการเกิดเป็นเป็นของดีเราชะล้าวันเกิดกันใช่ไหมสรรมาวันเกิดอนนอันนี้เป็นความหลงมันไม่เป็นความจริงความจริงก็คือการเกิดนี่เป็นทุกข์ เพราะเกิดแน้วมันจะทํำให้่างกายที่เกิดมันนี่จะต้องแก่เจ็บตายในวันข้างหน้างั้นเราต้องมาเรียนรู้ใหมเรียนรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่ามันเกิดไม่ควรจะเป็นฉลางมันเกิดกันควรจะฉลองวันวันทุกข์ไม่ใช่สุขสารมันเกิดต้องทุกข์ขังมันเกิดกันต้องเรียนรู้อริยสัจขอ้อที่หนึ่งคือเราต้องเราต้องมาพิจารณาอยู่อย่างเดีย ไม่ให้เราหลงไม่ใหเราเิ่มเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยรู้รู้อยู่กับใจว่าเกิดม า, าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มักจะลืมกันพฤติกรรมของเราไม่ได้บอกว่าเราเราจําได้เลยว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพฤติกรรมของเรานี่มันต้องเปนข้ามกัความจรงิงเราพยายามฝืนความจริงเราพยายามต่อสู้กับความแก่แต่อสู้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อสู้กับความตายกันในที่สุดเราก็แพ้ แล้วขนาดที่ต่อสู้เราก็เครียดเราก็ทุกขกรการต่อสู้แต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาเตือนใจเราอยู่รื่อยนะนี่นะความทุกข์คือการแก่เจ็บตายเมื่อเกิดมาแนละ้วเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดานอกพ้นควาแก่ควาเจ็บตายไปไม่ได้นี่นะคือธรรมะ ท, ที่พระเจ้าสงสารให้เราเราเลิกทิ้งอยู่บ่อยๆการเลิกถึงนี่ก็คือการเรียนรู้การสอนใจไม่ให้หลงไม่ห้ลืมนั่นเอง เรามักจะลืมกันพอเราไม่เิดถึงความแก่ควาเจ็บควาตายแล้ว ก, แวก็แล้วก็คิดทางมันข้ามที่เรากจะอยู่ไป น, นานๆคิดอยากจะสุขสบาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เล้นนวนตารวิธีการต่างๆสินค้าต่างๆที่ผลิตออกมาขายเนี่ยนะคอลลาเจนเอ่ยอะไรเอ่ยยาบรุงหรต่ตางๆเพื่อให้ร่างกายนี้อ อ, อยู่ไป น, นานๆแ้่มันอยู่ได้กี่ปีมันก็ไม่เกินน้อยปีเป็นส่วนใหญ่ ก็ตายด้วกันทั้งหมดแต่ทุกข์กันด้วกันต้องไปทุกข์กับการต่อสู้กับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆใจใ น, นที่สุดมันจะยอมรับนะไม่สู้ไม่ไหวแล้วยังไงก็แพ้สู้ไมให้เหนือยแล้วไปยกธงขาวด้วยกอนเสร็จยอมตายด้วยกัยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายแลวใจจะสบายใจจะไม่เครียดใจก็อยู่ไปตามอัตภาพ ไปจนกวามันจะร่างกายมันจะตายไปอันนี้คือข้อที่หนึ่งทุกเราต้องเรียนรู้ต้องไม่หลงไม่เนิ่มเรียนรู้ว่าจดจำไม่ให้มันอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเวลาเราทําอะไรเราต้องนึกคิดถึงความจริงอันนี้แล้วเราไม่โลภมากเราจะอยู่แบบน้อยสันโดษได้แต่ถ้าเราโลภอย่างได้งินได้เท่าอย่างได้ตําแหน่งได้เยอะแค่นี้เแสดงว่าเราลืมตาย ล่มแก่ลืมเจ็บ ก, กันเราคิดว่า เ, าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัน <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้ น, นข้อที่หนึ่งนี่ก็คือเราต้องพยายามเตือนใจเราสอนใจเรามาความทุกข์ก็คือการเกิดพ่มามาเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมามีการท้าทาจากการตายมาให้เรากลัวการการเกิดเมื่อเรากลัวมูมูมห่าเรากลัวไหมเราไม่เข้าใกล้เหมือนใช่ไหม เราก็มันมีพิษฉัในใดการเกิดนี้ก็เป็นเหมือนงูเห่ามันมีพิษพราเกิดแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ว่าการเกิดนี้เป็นอันตรายกับเราเพื่อที่เราจะได้ไม่อยากจะมาเกิดเอยนะทั้นี้เป้าหมายของการเรียนรู้ข้อที่หนึ่งให้เราเรียนรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์บจ<ะ>ากกับมันเกิดอีกเลย เมื่อเราเมื่อเราว่าเป็นทุกข์แล้วเม่ว่าอยากอยากกลัมาเกิดยังไงเราก็จะถามว่าลราจะทํำยังไงถึงจะทําให้เราไม่กลับมาเกิดแล้วก็ไปข้อที่สองข้อที่สองไปดูเหตุที่พาให้เรามาเกิดเหตุที่พาเรามาเกิดก็คือตัณหาความอยากทั้งสามความอยากเสียงรูปเสียงกลิ่นร้อการมาตัณหาถ้าอยากจะเสีงรูปเสียงกลิ่นร้อนก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือ จิตไม่มีร่างกายจิตตนมันเองไม่มีร่างกายมันเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้ใช้ตาหูจมูกเนื้องายของร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราหยุดความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสดได้แล้วก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกเน้นกายก็ได้ น, นี่คือสี่นี้เรื่อมันล่างก็คือ เราต้องหยุ ด, ยดความอยากจะเสพด้วยเสียงกีดเราสวยความใหญ่สองวัน <it> ก <hates engaged> ็มันก็ต่อเนื่องกันความอยากมีอยากเป็นก็คืออยากอยู่ไปนานๆเกิดมาแก็อยากจะไม่ตายอยากจะอยู่ไปนานๆเพราะว่าทันหาอยู่ยังมีความสุขเจริญด้วยรากด้วยสารเสริญเนี่ยแล้วก็ข้อที่สามก็คือ วิภาวะตัณหาความอยากไม่ไม่มีไม่เป็นก็คืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเนี่ยความอยากทั้ง3ามนี่เป็นเทศที่พาให้เราต้องมาเกิดกันถ้าเราอยากจะหยุดการเกิดเราก็ต้องมาหยุไดไอ้สามตัวนี้หยุดการมาตัณหาลากเสพการไปบวชกันอยู่แบบนัก บ, บวชนัก บ, บวชนี่ลากเสพรูปเสียงกลิ่นรสมาเปลี่ยนวิธีเสพ เสพสมาธิเสพความสุขที่จากการทําใจให้สงบแทนสมุทยัยข้อที่กิ่นในข้อที่สองก็คือสมุทยัยต้องละต้เนเหตุของความทุกข์ถ้ า, าละต้เนเหตุของความความทุกข์คือการเกิดได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกพรบรมนิชาตินี้ก็จะเป็นภพสุดท้ายชาติสุดท้ายถ้าเราตัดการมาตรฐานได้ก็เราก็จะยางตัดไม่เปนะ็นธาตนาคามีแล้ว การนีตัดการมล า, าคายการมาตัิหาได้หมดอะลรไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นอะไนั่นเองข้อที่สองนี้ท่านบอกว่าสมุทัยคือต้นเหตุของความทุกข์จะต้องต้องละถ้าละได้มันก็จะนําไปที่ข้อที่สามคือนิโรธคือโมอการหมดทุกข์การสิ้นทุกข์หรือการดับทุกข์นิโรธจะทําให้เกิดได้ก็เพราะว่า เราละตัณหาความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเมื่อเราเราละเราละสมุทัยไนดะ้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อกิรนั้นิโรธก็คือทำให้แจ้งทำให้ปรากฏขึ้นมาเลยนี่เราจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราละสมุทยัยและการที่เราจะละสมุทัยไนดะ้เราต้องเห็นทุกข์ว่าเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ ภารกิจสามารถมันเชื่อมต่อกันนะตอนตอนเราเหน็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ก่อนไม่รู้การเกิดเป็นทุกข์แล้วก็อยากจะหยุดการเกิดการจะหยุดการเกิดแล้วก็ต้องไปหาเหตุที่พาให้เรามาเกิดกอพบว่าเป็นตัณ ห, หาความอยากเราก็าต้องมาละตัณหาความอยากพอละตัณหาความอยากได้ไดโรอดคือทุกข์กันกันการสิ้นสุดของความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ทำให้แจ้งข้อที่สามนี้ในโลกคือการสิ้นสุดขอความทุกข์หรือการบรรจากความทุกข์นี้ต้องทาให้แจ้งแล้วก็มาสิ้สุดข้อที่สี่คือมัสมัสมีธท่าวาต้องเจริญให้มากเพราะเห็นได้พราะเราใช้มัสมันเป็นเครื่องมือในการทําภารกิจทั้งสามข้อแรกนี่ถ้าเราไม่มี ม, ม, มัสมีศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่มีความสามารถที่จะไป ยืนรู้เรื่องทุกในข้อแรกได้แล้วไม่มีกำลังที่จะเป็นรับสมุทรไทยในข้อที่สองได้นราจะไม่สามารถทำให้นิโรดปรากฏแจ้งขึ้นมาได้กิดทั้งสามข้อแรกนี้ต้องอาศัยข้อที่สี่คือมากเป็นเครื่องมือเวราต้องเวลาเราจะเรียส ต, ติสมาธิปัญญาด้วยกา ร, การสนับสนุนของศีลของทาน ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาเราก็จะมีเครื่องมือที่จะสอนใจให้รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ได้แล้เราก็จะมีเครื่องมือที่จะละสรุปใยที่ตันพระพิพาทให้เรามาเกิดมาเจอกับความทุกข์ได้เมื่อเราสามารถละได้ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถทํานิโรธให่งใจได้ทําให้การสิ้นสุดของความทุกข์ปรากฏขึ้นมาได้ นี่ก็กลิ่นในอริยสัจทั้งสี่ก็มารวมอยู่ที่กลิ่ข้อที่สี่นี้เป็นหลักก่อนเราต้องมาสร้างเครื่องมือก่อนในการที่เราจะสร้างบ้านได้เราต้องไปหาเครื่องม้าเครื่องมือมาก่อนถ้ามีจอบมีเสียงมีมีข้อมีขวามีเลื่อยมีอะไรต่างๆเป็นเครื่องเราถึงจะสร้างบ้านได้ถ้าได้ก็เหมือนคุณหมอจะผ่าตัดได้ก็ต้องมีเครื่องม้เครื่องมือก่อนใช่ไหมครับ หมอวิจัยว่านอกนี้เกิดจากอะไรแล้วต้องมีการถ่าตัดบอกว่าต้องไปหาเครื่องมือมาก่อนถ้าไม่มีเครื่องมือก็ถ่าตัดไม่ได้เหมือนกันทุกข์นี่เราจะกำเนิดรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาสมุทัยนี่เราจะล่างไม่ได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาไม่มีสมาธิเวลาร่างไม่ได้นี่โรคที่จะทําให้มันแจ้งขึ้นบาก็แจ้งไม่ได้ ปรากฏขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถละสมุทายได้เราก็สามารถทําให้ได้รบปรากฏขึ้นมาได้การขึ้นสัจธรรมความทุกปรากฏขึ้นมาได้ในตัว อ, อย่างว่าเราตัวที่ข้อที่สี่นี้เป็นสิ่งที่เราต้องทํากันพตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือคุณพ่ออาจารย์มีคำนี้ไม่ชีวิธีผ่านต ะ, ะไรต่าง เราจะผ่าตัดต้องไปที่โรงพยาบาลใช้เครื่องมือของโรงพยาบาลจะผ่าตัดเองใช้มีดผ่างไม่ได้หรือครับพ อ, อจะเข้าใจกินยาอัศศีกินยาฤยธสัตว์ศีไม่แ บ, บ่งใ้เป็นศีศีเกิดด้วยกันติดเข้าท่านหนึ่งสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ก็คือการเกิดแล้วสารใจข้อที่สองว่าอะไรเป็นเหตุของการมาเกิด ก, ก็คือสมุทัยตัณหาความอยากต่าง ถ้าอยากจะให้การเกิดไม่มาเกิดอยากจะให้การทุกข์ความทุกข์หายไปไม่มีทุกข์อีกก็ต้องละสนุทัยนี่ละเหตุความอยากต่างๆในการากละความอยากต่างๆไนดะ้ก็จนะต้องใช้มรรคเป็นเครื่องมือต้องมีสมาธิ ส, สติบสมาธิปัญญาสนับสนุนด้วยด้วยศีลด้วยการทําบุญทางทาน กระจางแจ้งเลครับอาจารย์ครับเป็นเหตุเป็นผลกันต่อนเนื่องไปเลยนะครับอาจารย์เออทุอย่างมันเกี่ยวข้ามหมดเลยครับถ้าเราไม่เห็นว่าทุกถ้าเราไม่เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์เราก็จะไม่เราก็จะไม่ไม่ไปนค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เรามันเกิดเพราะมันมันมันเป็นสุขเราก็เลยก็อยากจะให้มันเกิดไปเรื่อยๆครับเนีทุกคนมาเกิดพอตายก็อยากจะไปเกิดใหม่ชาติหน้ะชาติหน้าขอให้ร่ำให้รวยกว่า น, นี้นะ ให้เป็นหญ่เึ็นตกว่านี้เพราะยังคิดว่าการเกิดเป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสุขเราจึงจัดถึงฉลอาวันเกิดกันสุขสรรค์ันเกิดไม่มีใครทุกขังมันเกิดกันครับกลับขอบคุณพระอาจารย์นี่ให้ปัญญามากเลยครับแต่ไปอวยพรทุกขังมันเกิดไม่ได้นะครับอาจารย์เดี๋ยวโดนเขาว่าต้องไปต้องอวยพรตัวเราเได้ วันนั้นเจอันเกิดวอ๊ตทุกครั้งวันทุกครั้มาแล้ววันมันวันไหนความทุกข์มาแล้วก็คือการเกิดถ้าไม่เกิดก็จะได้ไม่ต้องแก่ไม่น้อยเจ็บไม่ต้องตายแต่ในวันพรอยคนอื่นไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับเขายังเขาเห็นว่าครับมันมันเกิดเป็นวันที่สุขที่สุดของเขาแล้วคนทําเกิดดูมาทําดูเงินเฉพาะวันเกิดนี่มากทีเดียวใส่บาตกันถ้าทุกวันเลยมีคนบอกวันนี้มันเกิดรู้ค่ะวันนี้มันเกิดผมครับวันหลายหลายคนเแล้วขอพรไง ครับอขอให้สุขให้เจริญให้ร่วยสาดทุกข์ไปเยกกปครับเป็กพูดความจริงไม่รู้โกหกกูบางนะแต่ไม่โกหกเพราะเราพูดให้ความปรารถนาดีไปนั่นเองใส่เมตตาใช่ไหมครับอาจารย์ก็อยากจะน่าสิ่งตรงนี้แล้วก็พูดไปให้เขาให้ให้กำลังใจเขาไปทางนี้แต่ถ้าคนฉลาดคนที่รู้ว่าทุกข์กลายเป็นทุกข์ก็จะไม่มาขอผ่านผ้าเสียเวลาเขาจะไปบวดกัน ครับผมได้ปัญญามากเลยครับอาจารย์ครับกรับกับว่าคุณอาจารย์ครับมีคำมีคาบอกว่าถ้าถ้าทุกคนคิดได้อย่างที่อาจารย์สอนนี้โรงพยาบาลจะโล่งมากเลยครับอาจารย์ไม่มีปัญหาเลยไม่ลงไปรักษาไม่เสียเวลาเปลียนตัวแก่เจ็บตาย ไ, ไปไหนไครับผมแต่ถ้าถ้าร่าการักษาได้บางคนจไปนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฮะเราก็ยังไปอยู่ ยวพวนี้ก็ต้ไปถอนฝันวัคซีนอ๋ อ, อถึงรอบอีกแล้วเหรครับาาอาจารย์มันมั น, ม, นมันปวดขึ้นหน่อยซีนนะเรานัดกับหมองวันพวุนี้เราไปถอนฝันอันไหนที่รักษาได้ทำได้ก็ทําไปแต่ถ้าอันนั้นทํารักษากแล้วมันนอนหรือมันเตียงไปกระด่ากระด่างอย่างนั้นอย่าไปรักษาดีกว่าไม่ได้ฆ่า ต, ตัวตายนะการไม่รักษาเป็นการยุติการพันการพยาบาลนั่นเองการไม่รักษาไม่ได้เป็นการทําให้ร่างการรยตาย ไว้ให้ร่างกายมันอยู่ก็ตายไปตามธรรมชาติอยู่ดีอยู่ได้ก็อยู่ไปไม่อยู่ก็ไม่จะได้ไม่ไปไปกินที่ของโรงพยาบาลเข้าให้คนที่เรีรักษาได้ไปรักษาพยาบาลดีกว่าคนที่รักษาไม่ได้แล้วก็เอากลับไปอยู่บ้านาไป็นนอนที่บ้านขอโอกาสครับอาจารย์ครับจากคุณอัญชลีครับถามสองข้อข้อที่หนึ่งบอกว่าถ้าเราบวรณาตัวเป็นโยมอุปถาะ ตอนถวายของให้ประสงค์ที่เราอุปถากสามารถถวายเจาะจงได้ใช่ไหมครับและโยมจะต้องพูดว่าอย่างไรครับคือการถวายขอให้กับพระองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ต้องดูการลเทศะวาท่านอยู่ในในสภาพไหนถ้าท่านอยู่ในในกลุ่มนี้เราไปถวายเฉพาะองค์เดียวใ น, นการเดี๋ยวเราไม่เหมาะสมเช่นว่กนากรรมฐานที่เวลาพระออกมาฉันร่วมกันที่ศารานี้ก็จะไม่มีการไปถวายเจาะจงองค์ใดองค์หนึ่ง จะถวายเป็นส่วนกลางแล้วก็ค่อเยกว่ายาวไปถวายพระอาจารย์รูปแรกให้พระอาจารย์เป็นผู้รูปแรกเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็ค่อยค่อยเรียงลําดับลงมาตามลําดับเอาผู้สูพันเตทางลาดับพรรษาอันนี้เป็นธรรมเนียมของสงฆ์เวลาแบ่แบ่งข้าวของกันที่ยางลงมาถวายนี่ที่เราเรียกว่าเป็นสามกระฐานนี่นะเขาจะให้ผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่เป็นผู้พิจารณาของก่อน นะส่วนที่เดี๋ยวก็ค่อยส่งตอนอมาภาพที่มีภาษาน้อยกว่าลงมาตามมันกเธอเป็นภาพรูปสุดท้ายถ้าเราอยากถ่ายถวายเจาะจงกับควรจะหาเวลาที่ไปถวายท่านที่ท่า น, านตามลำพันคนเดียวนี้กว่าจะได้จะได้รู้ว่าถวายให้กับท่านโดยตรงแต่ถ้าทําถ้าจะไปที่วัดป่านี่เขาจะไม่ไอยอมมาวัดป่านี่เขาจะไม่กล้าเขาจะไม่อยากจะรับของส่วนตัว พราะเราเขาอยู่กันแบบสามพทานก็อยู่กันแบบแบ่งปันกันได้ครับของอะไรมาเขา้าเข้าเป็นของการส่วนกลางขายขายอะไรก็ไปไปเบิกไปหยิบเอาได้เช่นสบู่แบ่งสีปันยาสีปันของใช้ไม่สายนี้แต่คนที่อยู่บ้านฐานเราจะมีตู้ไว้ไวไวเก็บไว้ในเวลาขายขายอะไรก็ไปหยิบเอาจะไม่มีการเก็บข้าวของส่วนตัวว่าที่กุญแ มีไว้แต่เฉ่าะท่านที่จําเป็นที่ต้องที่จะต้องใช้เท่านั้นเองบนเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นลยครับอาจารย์ครับบนเขาก็อย่างนั้นแล้รับของงานอย่างที่ญาญโงมาถวายเราทุกวันตอนบ่ายนะที่เทศเสร็จเนี่ยก็มีลูกศิษย์เขาก็จะขนไปให้กับพระบนเขาพระท่านก็จะไปจัดเก็บไว้ในตู้ในอะไรตนะ่างๆตามความเหมาะสมแล้วใครต้องการอะไรก็ค่อยมาหยิบแล้ให้ให้ญาญโงมาประเคนให้ถ้าเป็นเป็นของที่จะต้องประเคน ข้อที่สองครับโยมอุปถากสามารถจะสั่งของจากช้อปปิ้งออนไลน์ไปส่งให้ประสงค์ที่เราเป็นอุปถากให้ได้ไหมครับได้ถ้าเป็นของที่ไม่ไม่ผิดภรวินัยได้ถ้าเป็นของที่เช่นส บ, บู่ยาสีฟันรองเท้าอะไรพกนี้ของจีวอของเครื่องใช้ไม่สายของพระสองค์เจ้าถ้าเราไปไม่ได้เราสั่งให้ร้านประส่์ไปส่งให้ก็ได้ คุณอินนี่ถามว่าสวดบทมหาจากักรพรรดิดีหรือไม่ครับคือเราต้องการเข้าใจก่อนว่าการสวดมนต์นี้สวดเพื่ออะไรการสวดมนต์ด้ความหลังเป็นการจเจริญสติเป็นเหมือนการเป็นการฝึกสมาธิให้เราหยุดคิดกันให้เรามาสวดบทใดบทหนึ่งก็ได้บ ท, ไ, บทไหนก็ได้ทั้งนั้นเหมือนกันโดยท้อเป้าหมายก็คือเราต้องการให้มีสติอยู่ในการสวดก็จะเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องราว ต, าตา่างๆ แล้วความฟุง้งซ่านความวุ่นวายใจก็จะลดน้อยลงไปอันนี้คือเป้าหมายของการสวมดมนต์ไม่ได้สวดเพื่อให้ร่ําให้รวยให้ได้ผลจากบทสวด น, นั้นบางคนสวดบนนี้เราจะแค่คาดปลอดภัาายจากงูพิษต่างๆส่วนบทนี้เราจะร่าจะรวยไม่ใช่หรอกไม่เป็นอย่างนั้นการสวดมนต์นี่สวดเพื่อให้ใจสงบง่ายๆเป็นการาฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งจะสวดบนไหนก็ได้ บางทีเรายังนั่งสมาธิดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนนั่งนั่งสมาธิแบบสวดมนต์ไปก่อนพอสวดเวลาใจใหายฟุ้งซ่านพอมีสเตปพอแล้วค่อยเปลี่ยนมาดูลมต่อเนื่อมาบริการพุโทโธต่อนนี้นี่คือเรื่องของการสวดมนต์มีท่านี้จากคุณสมพรครับทุกวันนี้โยมจะเป็นหลีกหนีอะไรที่มันทําให้จิตใจต้องท็อกซิก ยมปฏิบัติเช่นนี้เข้าถึงธรรมแล้วหรือยังครับก็การเด็กดีบางทีมันก็เป็นมิภาวะตัณหาได้เไม่งันเป็นกิเลสได้เไม่งั้นบางทีเราก็ต้องประชานกับสิ่งที่เป็นทั้งสิ่งด้วยสติด้วยปัญญาจะดีกว่าคือใจวางเฉยพิจารณาสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ว่าเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราก็คคุมบังคับ ไ, ได้ได้เราจะนั่งไม่ต้องวิ่งดีไปเรื่อยๆ แต่ในบางกรณีเพื่อรักษาชีวิตอาจจะจําเป็นจะต้องหนกกีก็เลยเห็นซื้อเห็นสัตว์มาสาําด้วยการนมาแล้วเดินไปหามันถ้าหนีได้ก็หนีหับได้ก็หล บ, หลบเพื่อป้องกันรักษาร่างกายให้ไม่ถูกทาําลายแต่ท่านแล้วนั่จิตใจว่าเราอยู่ทนอยู่ไม่ได้เพราะจิตใจเราไม่พอใจนี้นไม่ควรที่จะไม่ควรจะถอยคนรจะแก้ด้วยสติ ป, ปัญญาจะดีกว่าคุณเก๋ครับ เวลาที่เราไปทําบุญที่วัดในวันพระจะมีของเหลือแล้วเราเออกกลับมาบ้านแบบนี้ผิดไหมครับคือทางธรรมเนียรของวัดนี่เขาเขาที่ไปถวายที่ศาลาเชิญอาหารนีครับข้าววันต่างๆพอท่านพอชาตท่านฉันเสร็จแล้วส่วนที่เหลือนี้พระก็ให้ลงไปรับประทานกันจะสังเกตในเวลาที่พระฉันนี่บ า, างทีญาติโยมก็่ อ, อาอาหารที่เหลือจากพระ น, นี่มานั่งฉันกันมานั่รับประทา น, น อันนี้เป็นการต้อนรับขับเสริม เ, เหมือนภาพเป็นเหมือนเจ้าของบ้านญาติโยมก็มาเยื่ยมเอาข้าวของมาให้พระก็เลยมีส่วนเหลือก็เลยจัดให้พระใญาติโยมมานั่งรับประทานกันอย่างนี้ก็ทําได้แล้วถ้ามีเหลืออยากจะเอากลับไปบ้านก็ได้แต่อย่าไปแย่งกันนะกลัวส่วนใหญ่จะมักจะแย่งกันมากครับคุณวันวิสาครับ คุณแม่อายุหกสิบสามครับอยากจะเรียนถามว่าโรคแพนิกมีโอกาสที่จะดูแลให้หายขาดได้ไหมครับได้ให้มีสตินะฝึกสติให้มีคุโทคโุทโธอยู่เ แ, แล้วใจจะเนื่งใ จ, จสงบใ จ, จเย็นใจยังไม่วุ่นวายมีอุเบกขาตัวเดียวนะถ้ามีตอุเบกขาแล้วมันใจเนื่งเฉยเลยทำอะไรก็ตามเวลานั่งสมาธิแล้วเผลอหลับตลอดครับ ต้องทำยังไงให้จิตเป็นสมาธิถ้าท่องบทสวดมนต์แทนได้ไหมครับไม่ได้หรอกมันไม่พ อ, อต้องฝึกสติให้มากกว่านี้ต้องฝึกสติก่อนมานั่งนัปฏิบัติสมาธิเช่นนั่งสมาธิได้ส่วนให ญ, ญ่เขาจเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกไว้เวลาหลับหนึ่งตาขึ้นมากุโโทโธพุโทโธพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปไม่ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ ถ้าทำอย่างนี้ได้วเวลาม่นั่งสมาธิจะไม่ไดับสติจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คุณดำครับการรู้อริยสัจสี่ต้องรู้สามรอบมีอาการสิบสองหมายถึงอะไรบ้างครับก็แบบนี้นะเพียงแที่เราสแสดงนี้แสดงรอบเดียวอีกสามรอบนีเราก็จำไม่ได้ต้องไปเปิดดูตำรากิจที่ยังไม่ได้ กิจที่ยังไม่ได้ทําตอนนี้เราได้ทําแล้วอะไรทํานองนี้ยมักก 1, 3, นก็เลยกลายเป็นสามรอกขึ้นไปกิจข้อที่หนึ่งต้องทําแต่เราเรายังไม่ได้ทําตอนนี้เราได้ทําแล้วทําสําเร็จแล้วหรืออะไรทำนอนี้ยจะไม่ได้ต้องไปดูในตำนานแต่โดยหังแล้วก็มันอันนีนเน้เป็นความละเอียดของพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเองแต่ความจริงก็เป็นการทํากิจที่ที่เราได้คุยกันเนี่ยครับ คุณน้อยครับบอกว่ากรวดน้ำทำบุญให้ลูกที่เสียไปแล้วจะได้รับบุญไหมครับก็ขเ้นอยู่กับดวงวิญญาณก็ว่าอยู่ในสภาพที่มารอรับหรือไม่ถ้าก็ไม่รอรับก็ไม่ได้รับบุญถ้าเขารอรับเขาก็าได้ช่วงนี้ทางใต้ฝนตกหนักครับโยมอาจไม่สะดวกในการใส่บาตรในตอนเช้าแต่โยมจะทำบุญออนไลน์กับทางวัดต่างๆ บุญออนไลน์ที่ทํากับทางวัดโยมสามารถอุทิศบุญให้พ่อแม่บรรปะชนล่วงลับเหมือนการอุทิศบุญตอนได้ใส่บาตรได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันเหมือนกันเลอยู่ที่การให้ให้สิ่งของให้ให้ข้าวของเงินทองแล้วเงินทําใหม่นี้พอให้ปั๊บแล้วเราสามารอุทิศบุญนี้ได้เลยคุณเล็กครับ เมื่อตายเผาแล้วจะไปลอยลงแม่น้ําแต่ทราบว่าไม่ควรจะไม่เก็บกระดูกจะใส่หม้อดินฝังใต้ต้นไม้ในบ้านได้ไหมครับได้ไม่มีข้อห้ามอะไรก็มันเป็นดินดีๆนี่ร่างกายเราเป็นทำด้วยธาตุสี่ดินน้ําลมไฟเวลาตายไปลมก็ออกไปก่อนจากว่าตามด้วยน้ำตามด้วยไฟแล้วก็ตามด้วยน้ำส่วนที่เดี๋ยวก็กลายเป็นดินดินจะไปทํา ท, ที่ไหนเอไปที่นี่ไหนมันก็เป็นดินเหมือนกัน อย่างเคยเล่าเสมอว่าอย่างโยมแม่ของตลวงตามฮะบัวหลวงตายไปเผาเสร็จท่าก็ให้เก็บที่เท่ามาลยที่คนต้นโพนี่วะนีว่าจะมีต้นโพอยู่ต้นตนึงนับอกอาไปบูชาพระพุทธเจ้าต้นโพเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าครับก็เลยเอาไปเลยที่ที่คนต้นโพเป็นปุ๋ยเลย โรยเลยไม่ได้ฝังอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์โรยไปที่เขาจะไม่น่าจะเราไม่ได้ไปโรยเขาอาจจะโคกระเด็นเลาที่เข้ามาโรยแต่ช่วงนั้นพระอาจารย์อยู่ที่บ้านตากพอ ด, ดีใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านพอดีแต่ไม่ได้ไปติดตามอะไรเลย ค, คุณส้มครับเจอปลาเทศบาลที่คนหาปลาเขาไม่เอาปล่อยทิ้งไว้บนทางเท้า เราเดินผ่านเห็นยังไม่ตายจะช่วยปลากลับลงคลองเพื่อช่วยชีวิตแต่ก็กลัวคนหาปลาจะต่อว่าถ้าเราไม่ช่วยปลาจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอไม่ได้บุญเท่านั้นเองแต่เราก็ต้องถามคนที่เขาเป็นเจ้าของการว่าเขาอนุญาตให้เราช่วยไหมถ้ามีเจ้าของแล้วก็ไปทํานั้นไม่ได้ไม่ใช่ของของเรานอกจากว่าเราไปซื้อขอถ่ายชีวิตเขานี่เอาเงินให้เขาของขอซื้อปลาตัวนี้ได้ไหม ถ้าเราขายกับซื้อแล้วเราก็า เ, าเอาปลานี้ไปปล่อยนี่ก็จะได้ผลแต่ถ้าไม่ได้ช่วยเขาก็ไม่ได้บาปเพราะเราไม่ได้ทําอะไรครับคุณปรีดาครับในช่วงที่คนเสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติเราสามารถจะสวดมนต์อุทิศให้เขาให้เขาได้รับไหมลูกชายที่เป็นลูกครึ่งเขายังเล็กดิฉันควรจะนําลูกสวดมนต์ให้พ่อของลูกชาย เออรอให้เสร็จครับให้พ่อของลูกชายพ่อเขาจะรับรู้ได้ไหมครับในช่วงที่พ่อเขาเพิ่งเสียไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาจารย์ครับก็อย่างที่บอกว่ายึดรัแต่ดวงวิญญาณของเข า, าเขาเขา้เขามารอรับหรือไม่ถ้าเขาไม่มารอรับก็ไม่ได้บางทีเข้าไปเรื่องราดของบุญของบาปให้ไปเกิดใหม่นะให้เป็นเทวดาแล้วไปเกิดไปตกทางโลก น, นี้ไม่มาเขาไม่รู้แล้วเขาไป แล้วก็ถามต่อ น, นิดนึงครับว่านั่งสมาธิให้ได้ไหมครับคือการที่บุญเนี่ยส่วนใหญ่จะจะเหมาะกับการทําบุญทําทานจะดีกว่าเพราะเวลาเราทําบุญทําทานปั๊บได้บุญเกิดขึ้นทันทีในการส่วนนวนการนั่งสมาธินี่ส่วนใหญ่ผลยังไม่เกิดบุญยังไม่เกิดเราก็เลยไม่มีบุญ น, นูนที่ใครตอนเช่นจะนั่งสมาธิก็ต้องจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิก่อนเนี่ย บางทีปฏิบัติกันเป็นสิบปีกว่าจะได้ยินห้อยเลยแล้วเรามานั่งสวดแค่ห้านาทีสิบนาทีแล้วมันจะเป็นอปรนาสมาธิขึ้นมาได้ยังไงดถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไม่ต้องสวดบุญสวดบุญเพื่อตัวเราสวดบุญเพื่อให้ใจเราสงบแต่ถ้ามันไม่สงบเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีบุญที่เราจะอุทิศให้กับใครได้ถ้าอยากอุทิศบุญก็ทำบุญดีกว่าใส่บาตรบริจาคเงินให้กับโรบงพยาบาลโรงเรียน หรือให้ขอทานก็ได้แล้วก็อดชิ้นได้อุดมคติความสุดใจที่เราเกิดจากการทําบุญทําทานของเราเนี่ย น, น, นั่นแหละคือบุญคุณโมจิครับบอกว่ามีนกหลงมาอ ย, อยู่แต่ในกรงไม่ยอมออกเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่ออกอย่างนี้ลูกจะเป็นบาปไหมครับที่กักขังเขาไว้ครับไม่บาปเพราเราเปิดประตูให้เขาเลยสร้าเขาเขาอยากจะอยู่กับเราเขาปลอดภยัยเราเี้ยงเขาด้วย อ ะ, อ, อะไรที่จะทําให้จิตใจเราตกต่ําโยมจะใช้การหลีกเลี่ยงหลบหลีกเพื่อรักษาจิตใจให้สงบสุขคิดอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมครับคือสิ่งที่ทําให้จิตใจเราตกต่ําจริงๆมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างในอยู่ในใจเราเองคือการการทําบาปต่างๆการคิดอกุศลต่างต่างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไม่ใช่ไปหลีกเลี่ยงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อันนี้ก็กทําได้บางทีก็ทําได้บางทีถ้าทาไม่ได้จะทํำยังไงตัวที่จะทำบาปจริงๆก็คืออกุศลที่เราคิดขึ้นมาในใจของเรานี่ยนะด้วยกายก็ทําบาปด้วยกายหรือวาจาขะงเรตัวนี้ก็ที่เราจะต้องคอยดิ้นเรื่องคอยกําจัดคุณจันทร์ครับการจัดงานพิธีสวดชาปนากิจศพตอนเย็นที่ปฏิบัติกันนั้นถ้าจะเปลี่ยนเป็นสวดเช้าแทนได้ไหมครับ ก็แล้วแต่คุณจะทําแบบไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ตามธรรมประเพณีก็ได้เพราะไม่มีอะไรกําหดนดตายตัวจะไปนิมนต์พระไปสวดให้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพระท่านมีกิจของท่านส่วนใหญ่ตอนเช้ า, า, าท่านทำบิณฑบาตกันนั่นเป็นปรอบกิจนิมนต์กันะนะแต่ถ้าคุณอยากจะทําทําได้ก็ทําไปไม่มีใครข้อห้ามแต่เดี๋ยวมันจะเป็นหแบบว่ามนันของแปลกนครับคุณสายลมครับ ในระดับของพระโสดาบันยังมีความรู้สึกกลัวผีอยู่หรือไม่ครับไม่น่าจะกลั ว, ลวนะถ้าไม่กลัวความตายไม่ไปกลัวเลยนะสิ่งีน่ากลัวที่สุด ก, ก็คือความตายคุณว่นครับผู้ที่ทำฌานสามได้แล้วจะเหลือแต่สุกับเอกกัคตาปิติหายไปเราจะแยกอาการปิติกับสุกได้อย่างไรเพราะมีอาการใกล้เคียงกันครับเราไม่แยกหรอมีสติอยู่กับ กรรมฐานของเราไปได้เรื่องนะมันจะยกกัมันเองเลยอัตโนมัติแล้วในที่สุดก็จะเกิดแต่โมเบขาคือคนที่ปฏิบัติไม่ต้องไปนั่งรอยแยกใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ยากไม่ไม่ได้ว่าเบินผลนะคนที่เกิดจากการเราเพ่งที่กรรมฐานของเราเพ่งที่ลมแล้วเพ่งที่พุโทโธนะมันก็จะค่อยๆยากไปตามขั้นขั้นตอนของมันเองครับคุณกรัลพัสรสอนครับ ก่อนยายจะเสียประมาณ5ชั่วโมงพายายตักบาตมีสติรู้ตัวอาหารทุกอย่างแต่หนูเป็นคนไปถวายที่วัดแล้วตอนเย็นยายเสียยายได้บุญตอนเช้าด้วยไหมครับถ้ายายรู้เรื่องเพายายเป็นคนศรัทธาต้องเป็นเงานของเป็นของของคุณยายด้วยยายต้องมีเจตนาความตั้งใจนั่นก็เป็นของของคุณยายแต่ถ้าเป็นของของเราแล้วทําทำให้ยายจบอย่านี้ยายจะไม่ได้ไม่ได้บุญจากการให้ จะได้บุญจากการอนุโมทนาของการทําบุญของเราคุณมาลตรีครับเราถวายเครื่องไฟฟ้าให้วัดผ่านพระเช่นถวายเครื่องซักผ้ารถไฟฟ้าอย่างนี้เหมาะสมหรือไม่ครับก็แล้วแต่วัดแต่ละวัดท่ดนานจะมีนโยบายต่างกั น, นวัดที่เคร่งเคร่งท่านก็นจะไม่นิยมใช้ของอำํำนวยความสะดวกท่าต้องการให้อยูย่แบบ ทุยากลำบากหน่อยจะได้ไม่ขี้เกียจแต่ถ้าอยากจะใช้ของเลื่อบันเทาให้อำนวยความสะดวกก็แล้วแต่อนี่การวัดกรรมฐ า, า, านที่ส่วนใหญ่ฉันจะไม่ใช้เครื่องไว้เครื่องจากอะไรต่างฉันจะใช้ใชกําลังกายเป็นหลักเพราะถ้าอว่าเป็นการทําความเพียรไปในตัวจะได้สัมมาวายามุจะได้วิริยะบารมีแต่ถ้าเราใช้เครื่องสักภ้ามันก็กดปุ่มเดียว ความขี้เกียจมันก็เกิดขึ้นมันไม่จะลดพ้นไม่ได้เพราะมันขนาดซักผ้ายังซักไม่ได้แล้วจ น, นด ไ, ได้ิ น, นกลมนกักงถวายที่ยังไหวครับถาวายไฟฟ้าขึ้นเขาอาจารย์เนีัยไม่เอาเลยนะครับอาจารย์ก็กรณีมันเป็นนโยบายของวัดกรดีด้วยนะก็อยู่ที่วัดวัดต่างมันก็ไม่ไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำกลับมา น, น้ำ ป, ประน้ําที่วิวาด่าัน้ำตากประสบายที่เราอยู่ต้องไปไปสูบน้ําขึ้นมาจากบ่อใช้ใช้เครื่องเครื่องมืสูบมนะันไมันจะใช้เครื่องไฟฟ้าสูบสูบไอเครื่องโยกอะเครื่องโยก oh. อ่า น, น้ําขึ้นมาจากบ่อแล้วใสป่ปีกปีกสี่เหลีย่ยม oh. แล้วใส่ไว้ในรดรดเข็นแลก็เ ข, เข็นไปไปใส่ตามห้องน้ําใส่ใส่ตุมนมตาห้องน้ำนะครับวนเวลาสองน้ำอาบน้ําก็เันสองน้ำที่ที่บ่อเลยครับ ไม่ไม่ต้องบําบัดน้ําเลยหรอครับอาจารย์ไม่ต้องน้ําสุดสวนที่ขึ้นมาจากบัวนี่ก็ได้เลยครับผมทําไมก่อนน้ำซาน้าซาด้านทำไมก่อนน้านขวดก็ไม่มืจะเดือดน้ำก็เดือดน้ําฝนที่ที่เราใส่ไม่ในแทงครับคุณกุนจิลาครับขอโอกาสครับพระอาจารย์สายพระป่าที่มีอายุพันสามากแต่อายุจริงน้อย กับพระที่มีอายุมากแต่อายุพรรษาน้อยหากว่าพระที่มีอายุน้อยแต่มีพรรษามากได้เจอกับพระผู้ใหญ่อุโสที่มีอายุมากแต่พัรษาน้อยตามหลักผู้ใดควรไหว้ผู้ใดก่อนครับเออขาดูที่บรรษากั็นหลักใครมีบรรษาน้อยก็ต้องว่าหว้ผู้ที่มีพรรษามากกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่อายุของของร่างกายอยู่ที่อายุของการบวชแม้แต่ครั้งบวชในวันเดียวกันนี่ก็ต้องมีว่าใครบวชก่อนบวชหนัง คุณปรีดาครับก่อนที่พ่อของลูกเสียชีวิตพ่อของลูกยังนอนโรงพยาบาลอยู่ไอซูได้โอนเงินไปให้ลูกสาวไปถวายผ้าไตรถวายสังฆทานได้เขียนชื่อลูกชายพ่อเขาจะได้รับบุญไหมครับใครเป็นคนทําพ่อทำหรือลูกชายทําไม่เข้าใจคือพ่อได้โอนเงินไปให้ลูกสาวครับเพื่อไปถวายผ้าไตรแต่เขียนชื่อลูกชายครับ เห็นชื่อลูกชายเป็ น, ปนยังไงให้ลูกชายลูกชายตายไปแล้วเป็นยัคุณพ่อเสียครับอาจารย์ครับคุณพ่ อ, พอนอนอยู่เอสีครับผมคุณพ่อนายเสยีแต่ยังสง่งยังสั่งสั่งเงินให้ไปซื้อของได้ส่งเงิน<ช>ไปได้ถ้าเป็นบุญของคุณพ่อถ้าเป็นเงินของคุณพ่อแล้วมีเจตนาของคุณพ่อคุณพ่อเสษียณได้ทําบุญแล้ไม่เกี่ยวอะไรกับลูกชายไม่เข้าใจครับผมมันกับเขาไปเขียนชื่อลูกชายด้วยครับอาจารย์ ลูกชายไม่ได้บุญนะเพราะถ้าลูกชายไม่รู้ยังไงไปไหนะับต้องไปยังไงของลูกชายถ้าลูกชายขอร่วมบุญด้วยพักกระเป๋าทากันมาร่วมด้วยอย่างนี้ลูกชายก็จะได้บุญด้วยคุณเจอุครับความตั้งใจทําเท่ากับความเท่ากับการตั้งจิตแล้วเกิดศรัทธานั้นเป็นบุญหรือยังครับอาจารย์ยังไม่สําเร็จ จะเป็นบุญก็ตามว่าตั้งใจจะถวายของแลว้วเอาของนั่นไปถวายให้กับพระหรือใครก็ได้ถึงจะสําสเร็จบุญถึงจะเกิดขึ้นมาได้มันตั้งใจเป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นเมื่อการสตาร์ทรถสตาร์ทรถแต่ยังไม่ขับเคลื่อนรถไปไหนมาไหนจอดเฉยเพร้อมที่จะไปแล้วแต่ยังไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เข้าเกียร์ไม่เหยียบคันแรกมันก็ยังไปไม่ได้คุณนิคครับ เราจะทําอย่างไรให้ใจเรามีปัญญาเห็นว่าตัวเราไม่ใช่เราครับก็ต้องพิจารณาอยู่าใหม่ใหม่ดูที่มาที่ไปของร่างกายเป็นต้นร่างกายมันมาได้อยไรมันอยู่ดีดีมันมาของมันเองดูมันต้องมีมีซัพพลายมีมีเขาเรียกวอะไรมีของที่จะมาทาให้มันเกิดขึ้นมามันมิเกิดขึ้นมาก็คืออาหารอากาศเนี่ยน้ําเนี่พวกนี้ก็เป็นธาตุทั้งหมดเลย อาหาก็ข้าวมันก็มาจากเด่นก็เป็นธาตุินเป็นส่วนใหญ่ผักก็เป็นเด่นนี้แั้นก็น้ําที่เราดิ่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ำลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมายที่เราได้รับจากแสงพลาสติกก็เป็นธาตุไฟมื่อเรามีสี่ธาตุะสมกันมันก็เลยทำให้เกิดอาการสามสิบงขึ้นมามันไม่มีตัวตนมันเป็นเรื่องของธาตุเท่านั้นเลยเป็นการทางานเหมือนต้นไม้ดีๆในรัางกา ในตาต่างัที่ว่าร่างกายของเรามีจิตมาครอบครองด้วยจิตจิตเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้ทำงานต่างๆถ้าไม่มีจิตร่างกาย ก, ก็จะเป็นเหมือนต้นไม้อยู่เฉยๆครับคุณสองมือครับกาะอาจารย์ครับเราอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์เมื่อเราเสียชีวิตแล้วจิตเราจะไปทางไหนครับแล้วทําแบบนี้ได้บุญไหมครับไม่เกี่ยวกันจิตไม่ได้ จะไปทำอะไรก็อยู่ที่บุญที่บาปได้วทำไปว่าส่วนไหนมีมากกว่ากันถ้าบุญมีมากกว่าก็ไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายไปนรกเวลาถวายร่างกายนี่เราไม่ได้บุญเะยเพราะเราไม่ได้ถอยตอนที่เราเป็นเราถวายตอนที่เราตายแนละ้วเราตายแล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเนได้ไ ด, ได้ได้เอาไปถวายนะไหมเพราะเราไม่ได้เป็บนนนะุญถวายแล้วถ้าอยากจะได้บุญต้องถวายตอนที่เรายัางมีชีวิตอยู่ เป็นเบริจากไตไปข้างไหนอันนี้เราจะได้บุญเมื่อเบอริจากเลือดว่าเรายังอยู่เรามีชีวิตอยู่แล้วเรามีความรู้ว่าเราได้เสียสละของที่มีค่าของเราไปให้กับผู้อื่นมันไก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจนี่ะคือตัวบุญอยถ้าเราตายไปแล้วเราไม่รูเรื่องนะเราก็ไม่รู้ว่าเราเราก็ไม่ได้บุญเพราะนั้นไม่มีเกิดความสุขใจขึ้นมานะตอนที่เราตายนะ คุณออนครับคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมจะทำอย่างไรให้ได้บุญตอนปัจจุบันนี้ครับก็ฝึกสมาธิฝึกส ต, ติให้มากๆ้าให้หายเสื่อมคือไม่ได้หายให้เสื่อมไปแต่ว่าให้มีสติเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรได้ถ้าสมองเสื่อมนี่แสดง ว, ว่าทำอะไรไม่ได้ไอล้วใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอาจารย์ก็ต้องเพืเตต่อนทูสติขึ้นมาแล สามารถสั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนะแต่ถ้าสั่งการแลยังไม่ทําได้าก็ช่วยไม่ได้แต่ว่ามันมันหมดสภาพแล้วร่างกายที่ยังมาทําการดีได้คุณกิฟครับฟังธรรมและนั่งสมาธิอยู่หน้ากุฏิพระอาจารย์เห็นญาติโยมเอาผ้าบางๆมาคลุมหน้าเพราะอะไรเดือนหน้าจะไปการาบอาจารย์ครับช่วงนี้มันิ่เยอะมากเป็นร้อยเลย โม่เข้ามาทางงูทางตาเลยญามิก็เลยฉลาดก็เลยไปเอาผ้าโม่มาคลุมไว้เวลานั่งสมาธิได้ไม่รบกวนอันนี้ก็เห็นคนเอาป <C> ิดหน้าเลยครับอาจารย์เาแล้ก็ปิดหน้าขึ้นแต่ก็ช่วงนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนนสังเกตุอย่างท่าเจอคราวนี้ไม่ทราบเป็นเพรใส่อะไรแล้วมีอยู่ทั้งวันหรือว่ามีเฉพาะตอนที่เทศอ่ะครับอาจารย์ เราก็ไม่ทราบเพาเวลาที่เราไม่ได้เทศสเราก็อยู่ในกรุตี่ <cl im it> ออกไปข้างนอกครับคุณเก๋ครับถ้าบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลแล้วขอใบเพื่อลดหย่อนภาษีแบบนี้ได้บุญไหมครับก็ได้บุญน้อยหน่อยเพราะเราบริจาคร้อยหนึ่งแล้วเราได้คืนมาสิบบาทก็ถ้ า, าเราบริจาคเก้าสิบบาทคุณอัญชลีครับ ในกรณีที่เราไม่มีศรัทธาพระพุทธศาสนานิกายอื่นหรือพระสงฆ์วัดอื่นเรามีศรัทธากับพระพุทธศาสนานิกายและวัดที่เราเคารพศรัทธาแบบนี้จะถือว่าเป็นการสงสัยในพระสงค์ไหมครับและจะบาปไหมครับจะสงสัยยงไงเว่าะมามีศรัทธามันก็ไม่สงสัยนะครับคุณมาตรตตีถามว่าพระสงฆ์ซื้อลอตเตอรี่เหมาะสมไหมครับไม่ควรพระมเหสมา มาบวชเรมาหาเงินหาทองมาละกิเลสมาตัดทบตัดชาติมนตัดการเป็นไม้ตายาเกิาานดีม า, าลาบยศกันกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับชอบเผลอไปดูสื่อที่มันแบบโป้แล้วช่วยตัวเองขอวิธีการเลิกทาแบบหักดิบครับอยากจะเลิกแบบถาวรครับพระอาจารย์ก็ อ, อย่าไปดูสื่อใช้โทรศัพท์บแบบที่ไม่มีภาพเนี่ย ถอดเข้าถอออกได้ก็พอไม่มีการส่งภาพต่างๆให้ให้ให้ใหดูกันคุณทอธรรมชาติครับเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์ขังกรงบาปไหมครับก็ถ้าเราเป็นนกเราจะคิดยังไงถูกขังอยู่ในกรงถึงว่าจะเลี้ยงเราเราก็ไม่เอาใช่ไหมเขอเขาปล่อยให้เราเออกมาอยู่ข้างนอกนีน่ก็มึงจับจับเราไปขังในคุกเนี่ย กที่ต้องขังคนในคุก เ, เขาทำบาแล้วปล่อยเขาออกมาเดี๋ยวเขาไปทํา้ายผู้อื่นง่ายถ้าเราอยากจะเลี้ยงนกแบบไม่บาปก็เราอย่าไปปิดอย่าไปปิดประตูกงเนี่ยเปิดไว้ให้เป็นอิสระเขาอยากจะเข้าออกเมื่อไหร่เขาก็ทำได้อย่างนี้ก็ไม่บาปถ้าไปกักขังเขาไนี่ยเราเรียกว่าบาปนะไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาคุณนิดครับ การทําบ้านให้เป็นวัดได้ไหมครับคือปฏิบัติอยู่กับบ้านอย่างที่ประสบพระอาจารย์สอนครับได้ที่เราจะทําได้เลยไม่ต่างคุณพ่อของเราในบ้านไม่มีเครื่องอำนวยความสุขวกเช่นโทรทัศน์อะไรต่างๆมีเท่าที่ของเจ้าที่จะเป็นนะเคยทําแท้งบาปแค่ไหนครับแล้วจะทำอย่างดีอย่างไรให้พ้นบาปครับก็เป็นการฆ่าสัตว์ เป็นการฆ่านันก็เป็นบาปนะบาปที่งกว่าการไปรักทรัพย์ยิ่งกว่การไปประกฤติในการนี่กว่การไปโกหกเป็นการค้านี่เป็นการเป็นบาปมากที่สุดในการค้านี้ก็มีบาปดลหนอกกันไปค่าใครบ้างค่าพอ่อฆ่าแม่นี่บาปใ่าลูกนี้กับไม่บาปฆ่ากับค้าพอ่อฆ่าแ่นะก็บา เราจะแก้ยังไงก็อย่าไปทําบาปต่อไปแต่บาปที่เราทําแล้วเราก็ต้องไปรอนับผลของบาปอาจจะต้องไปเกิดแล้วไปแท้งตัวตัวเขาทำแท้งกลับมาก็ได้ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดเสีทีเอาไปเกิดที่ไรก็เจอแม่ที่ ท, ทําแทงลูกเราก็จะไม่ได้เกิดคุณวรรณภ า, าครับก่อนเสียชีวิตฟังปฏิจจสมบั บ, บาทจะได้ไปดีจริงไหมครับ ไม่จริงแบบการฟังเฉยเฉยมันไม่ได้ทำให้กิเลสมันตายอต้องปฏิบัติต้องละต้นถามความอยากให้ได้ถึงจะไปดีได้คุณกอนไก่ครับการไม่บอกไม่เตือนปล่อยให้เป็นไปตามกรรมถือว่าเป็นการวางอุเบกขาหรือเปล่าครับพอพูดไปเตือนไปก็ไม่ฟังครับ เราอยู่ที่ว่าเรามีหน้าที่ต้องคอยบอกคอยเตือนมาไหมถ้าเรามีหน้าที่เช่นลูกงานเรานี้เราก็ต้องคอยบอกคอยเตือนเขาแต่เราจะไม่กดเขาถ้าเขาไม่เชื่อฟังเราแล้วเราก็จะไม่ถ้าเราพูดแล้วเขาไม่ฟังเราก็ไม่เราก็ไม่พูดต่อไปก็ได้แต่อย่าเราควรจะทําหน้าที่ของเราก่อน คุณฟริญญาครับบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ติดกันมีพระเนปานมาและคนในปาน 20-30 คนมาสวดมนต์ดังและทำกิจกรรมอื่นอีกพอกลับไปหนึ่งองค์ก็มาอีกสององค์ก็มาสวดอีกทีละห้าคนสิบคนเสียงดังพระเนปานอาศัยอยู่ในบ้านได้หรือครับมีผู้หญิงเข้าออกบ้านคือห่วงพระจะโดนขรหาเขาไม่กลัวกันเลยครับก็ไม่รู้ไม่รู้ทเนียบขอพระในปาเขาเนีเนเนว่าเขาเขา ม, มีกันยังไง Terror, แต่ทางพระของไทยเรานี้ท่านจะไม่นิยมไปอยู่ตามบ้านของญาติโยมถ้าอยู่ก็ญาติโยมจะต้องจัดเป็นเดินพิเศษรองรับอย่างนี้เพื่อก็อยู่ได้บางคนเห็นพระท่านลงเทมาลงเท่าในกรุงเทพแล้วหาที่พักไม่ได้เพราะว่าต่างๆที่มีอยู่เขาก็ไม่รู้จักกันก็จะไม่ได้รับการการต้อนรับที่ที่ที่สมควรญาติโยมก็เลยจัด ที่พักใหอาจจะมีสร้างบ้านสร้างที่พักอะไรใในหมดพระมายู่อย่างยีงก็อยู่ได้แต่อยู่แบบชั่อข่าวอยู่เพื่อมาทำปาราจิตเช่นว่าหาหมออะไรทำนองนี้หรือทําอะไรกันงๆอย่เป็นปกติรับพระคุณจะอยู่ที่วัดเป็นหลักคุณอ่อนถามว่าจิตและสมองคือสิ่งเดียวกันหรือไม่ครับไม่ไม่สมองนี่เป็นส่วนของร่างกาย นี้เป็นส่วนอีกส่วนของจิตคนละคละตัวกันจิตเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําะไรร่างกายอาศัยสมองเป็นผู้เป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวหต่างๆของร่างกายถ้าเราอยู่คนเดียววันหนึ่งป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแลเราจะอยู่อย่างไรให้ไม่ทุกข์ครับก็อยู่ตา ม, ตามเามีตามเคยไงฉันดอดยินดีตามมีตามเคย เราไปยังไม่ถึกคุณพิกุลครับกําหนดจิตหายใจเข้าออกทุกครั้งมีบ้างครั้งลืมกําหนดลมหายใจเท่ากับขาดการฝึกสมาธิไหมครับไม่อถึงตอนไหนที่ ท, ที่ฝึกเนี่ยฝึกตอนนั่งแล้วฝึกทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ได้ระบุครับอาจารย์ครับคือถ้ามีการกำหนดดูลมหายใจก็ถือว่ามีสเต็ เวลอะไรที่ไม่ได้ดือดหายใจก็ถือว่าไม่มีไม่มีสติอนาบลาสตินะคุณรัตครับถ้ามีคนมาให้เราทุกใจเราควรดึงตัวเองออกมายังไงดีปล่อยวางแล้วแต่ก็ยังคิดอยู่ครับเราก็เราหยุดความคิดให้ได้ใช้สติหยุ ด, ค, ด, ด, ด, ดความคิดใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปสู้กความคิดจนกว่าความคิดนั้นจะหายไปแล้วเราก็หยุดพุดโทโธ เวลาไม่คิดคเราเป็นใทุกคุณพัชรีครับถ้าสอนลูกไม่ฟังเรื่องการเป็นหนี้เป็นทุกข์เราควรช่วยเหลือหรือปล่อยให้รับผลเองครับก็ได้ทัานหมออย่างแล้วแต่เราจากคุณยิ่งศักดิ์ครับ เมื่อคนตายไปแล้วดวงจิตจะไปเกิดเลยไหมครับหรือดวงจิตล่องรอยจนกว่าจะได้บุญพอจึงได้ไปเกิดครับพอไปเกิดเลยพอตายไปก็ถ้าเป็นเป็นเทพก็ไปเป็นเทพเลยถ้าเป็นพรก็ไปเป็นพรเลยไม่ได้รอไม่มีการรอนอกจากจิตบางดวงที่จากเราไปเกิดทันนั้นเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะต้องรอบางทีคิวมนุษย์มันยาวพอแม่น้อย ดวงวญญาที่จะลามา ก, กัศเนมนุษย์บางเนีอ้อันนี้อาจจะต้องไปเข้าเคียวกันคุณอีฟครับเป็นโรคผิวหนังครับหมอบอกว่าแพ้สารเคมีแต่ไม่หายถ้าในทางธรรมมีวิธีช่วยไหมครับป่อยว่าช่วยใจเราดีกว่าใจเราอย่าไปทุกกับมันเลยร่าการมันมันจะ็นขอไม่เทียงมันก็จะต้องเป็นอะไรบ้างเ ป, เป็นธรรมดา ถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็อยู่มันไปกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับพระอาจารย์คิดว่าที่ดาวดวงอื่นจะมีสัตว์ที่เป็นลักษณะเหมือนมนุษย์อยู่ไหมครับน่าจะมีนะเพราะว่าโลงวัญญาณมันมันมันมีมากกว่าจํานวนมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกเดียวะ่ะอันนี้ก็โดาวดวงอื่นถ้ามีสภาพที่สามารถที่จะทําให้มีมนุษย์อยู่ได้ก็ น่าจะมีแต่เราก็ไม่กล้ายืนยันเพราะเราไม่มีตลักฐานอะไรแต่คิดโดยตรากะนะคิดโดยตรากะว่าโลกที่เราอยู่กันแบบนี้ยอาจจะ ม, เมีเหมือนกันเยอะายะไปหมดแึ่เพราะว่ามันอยู่ห่างกาไกลกันมากมันเราไม่สามารถติดต่อกันได้คุณต๊กครับมีสองคำถามนะครับ ตอนนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆนิ่งและไม่รู้สึกได้ยินคำบริกรรมรู้สึกไม่มีอะไรรู้สึกเฉยๆต้องทำอย่างไรต่อไปครับถ้ามันเฉยๆมันในความสุขว่ามันเน่งก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ายังไม่นน่นก็ตงบริกรรมพุทโธต่อคำถามที่สองครับถามว่าตอนที่พระอาจารย์มาที่อินทราเคนสวยไหมครับ้เเ็เป็นภูเขาเป็นภูเขาแล้วก็เป็น เกิราไปที่คนเยอแต่ละผ่านอินทรักน็กินกันนอกจากอินทอร ก, กินเราเสียนานรถนางรถฟฟ้าแล้วนังรถไฟขึ้นขววึ้เนเขาไปทีไปที่คนเยนไปไปอยู่ที่ด้นก็นไปนอนพับที่เรียกโฮมสเตย์เป็นบ้านพักอะไอยู่ครับอยู่กันหลายายคนเขาเปิดว่าง็มีคนพวกนักท่องเที่ยวไปอยู่ร่วมกันที่ไปอยู่ว่าทั้งสิบคนนะ่าในบ้านเดียวันครับไปอยู่แค่เกินสองเกิน ก็มือละเห็นเห็นตัูเขาเห็นอะไรดูครับผมสี่สิบกว่าปีที่แล้วครับอาจารย์ครับเออปีปีสองพัน้ารอยสิบตอนที่จบส5งัน้าสิบห้าเอ้สองเอสองันห้ารอสิบห้าไปเราไปปีสอง0ันรอยสิบจบปีสองพัน้ารอสิบ้ากลับมาในว่าที่แเที่ยยุโรอยู่อยู่ประมาณสองเดือนนี่ครับ แบ่เป้ไปใบนึงแล้วก็อยู่ตามเบาพักตามก็มเรียกว่ายูทอสต์ด้วยนตามครับเมื่อเดือนที่แล้วผมเพิ่งไปอินเทอร์ลักเซ่มาครับพระอาจารย์ขึ้นไปไนโอลอ่ะไม่ได้ขึ้นไปไปครับขึ้นไปจ <ไป S 2> ุ่มเท้าครั บ, ค, รบคุณลักวิครับพระอาจารย์ครับถ้าเราพังปากวิจารพระที่เขาทำผิดที่เราเห็นในข่าวอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับ ก็ไม่ควรวิภาควิจารณ์เลยจะดีกว่ามันเสียเวลาควรจะควรจะชืเฉยๆดีกว่าถ้ า, าจะเอาวิจารณ์ก็เอมาวิจารณ์ทอนตัวเราว่าเราไม่ควรจะทําอย่างนี้แล้วกันคุณฮักดอยครับเปยนถามครับทําอย่างไรจะลืมความเศร้าหมองให้อภัยกับคนที่ทําไม่ดีกับเราให้ผ่านลืมไปได้อย่างไรครับ เราต้องทําใจให้เราสงบก่อนให้มีความสุขในตัวเราก่อนทำใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะให้ใ ห, ให้อภัยคนอื่นได้คุณติเล็กครับเวลาเกิดการมรารคะไม่สามารถระงับความต้องการตรงนี้ได้เหมือนคนติดยาเสพติดรู้สึกว่าไม่ดีรบกวนจิตใจมากจะทําอย่างไรให้หายจากความอยากตรงนี้ครับไม่ต้องคอยหักข้ามจิตใจอย่าไปให้สิ่งมากระตุ้นความอยากตรงนี้ พยายามจะเลียนสิ่งที่ทําให้ความอยากนี้ลดน้อยถอยลงไปก็เกิดพยายามจะเนียนสุภาพอยู่เรือเ่อยๆคิดถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายคุณสิริธรครับถ้าเราใส่บาตรอุทิศให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วแทบทุกวันเปรียบเทียบกับการถวายเพลพระที่วัดแล้วอุทิศให้พ่อแม่แต่นานๆทาครั้ง พ่อแม่จะมีโอกาสได้บุญมากกว่าการใส่บาตรหรือไม่เพราะการถวายเพลพระจะสวดบังสกุลให้พ่อแม่ด้วยครับมันไม่ได้อยู่ที่สวดไม่สวดมันอยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยทำมากก็ก็อุทิศได้มากท ำ, กทำกน้อยก็อุทิศได้น้อยแล้วพูที่รับก็อยู่ที่เขารอรับหรือไม่ไ ด, ด้วยบางทีเขาก็ไม่ได้รอรับมันก็เป็นบุญของเราบุญนิดนิดมันก็จะสะสมอยู่ในใจเราต่อไป ถึงมเราจะอุทิศบุญแล้วก็ยังส่วนใหญ่ก็ยังจะอยู่กับเราอยู่นีการทำบุญจริงๆนี้ผู้ผู้กระทำนี่ได้บุญมากกว่าผู้ที่รับบุญที่เราอุทิศไปคุณพาเพลินครับบริจาคเงินทำบุญแต่มารู้ทีหลังครับว่าเป็นมิจฉาชีพแบบนี้บุญเราได้ไหมครับได้ถ้ามีความสุขใจเราบบที่เราทำไปรับมาได้คุณอัจฉริยะครับ เพื่อนบ้านขู่ทำร้ายร่างกายเพราะไปเตือนเปิดเพลงดังควรวางอุเบกขามองเป็นกรรมหากแจ้งตำรวจถือว่าก่อกรรมไหมครับก็ เ, เป็นการสร้างเวรขึ้นมาถ้าเฉยไปก็จบไปแล้วกูไปคุณจันทร์ครับความเบื่อนหน่ายชีวิตในสังคมเกิดจากอารมณ์หรือเกิดจากจิตครับเกิดจากการที่เราไปเห็นสภาพที่เราไม่ชอบมันก็เกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมา คุณเก๋าถามว่าทําหมันแมวเป็นบาปไหมครับไม่บาปคุณนัทชยาครับหากยานลึกก็กวนฝึกจิตฝึกสมาธิเกิดอันิสงส์อย่างไรบ้างครับและมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังที่เป็นผลจากการที่ยานลึกไหมครับก็ออยานกับยานกับฌานมันคนละเรื่องกันนะยานก็คือความความรู้ ความอยากเรื่องราวต่างๆทรี่ว่ายานส่วนฌานนี่คือเป็นการความสุปของจิ ต, ตมันมันคนเรื่องกันยานนี่เป็นปัญญาส่วนฌานนี่เป็นสมาธิอันนี้สองต่างมันสมาธิทำให้เรามีโอเบคามีกำลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้รับความโลภสู้กับความโลภความโกรธได้แต่เรา ปัญญานจะเป็นผู้บอกเราว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่เป็นกิเลสอะไรที่เราควรจะเลิกอะไรชื่อไม่ควรเลิกนี้เป็นเรื่องของปัญญาตอนนั่งสมาธิจะทําอย่างไรให้จิตเรารู้ทันจิตที่เผลอไปครับก็ต้อเจอสติให้มากขึ้นคุณติเล็กครับ เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายขาดเป็นทุกข์ทางใจจะรักษาความทุกข์ทางใจอย่างไรครับก็ต้องใช้มรรคเนี่จริญมรรคศีลสมาธิปัญญารักษาศีลแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ไปฟังเทศของธรรมแล้วไปเจรณาปัญญาต่อไปเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ วันโกนวันพระมักจะฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักจึงทำบุญใส่บาตรเขามาขอส่วนบุญใช่ไหมครับไม่ทราบเลยอันนี้เราไม่ถามเขาเลคุณวลเลสครับการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับโรงพยาบาลจะได้อนิสงอย่างไรบ้างครับคนให้ไม่ได้เลยเลยเพราะให้ตอนตายแต่คนรับเนีได้ประโยชน์ ได้ไป ไ, ไปศึกษาได้เรียนรู้ถึงนั่งธรรมชาติของรางกายว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่แต่คนรให้นี้ไม่ได้บุญถ้าถ้าให้ตอนที่ตาไปแล้วแถ้าให้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่จะได้บุญคุณแสงแดดครับนั่งสมาธิที่แล้วหลับสับบะงกอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมครับมันไม่เกิดผลเนี่ยมันไม่ได้ผลนั่งแล้วต้องไมหลับนั่งแล้วต้องตื่นตัว มีสติเราต้องรูอยู่ตลอดเวลาถึงจะได้ถึงจะได้ผลแต่ความสมุกคุณแม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงจนแม่ไปโกหกคนไปทั่วเพื่อหายืมเงินมาให้มิจฉาชีพนั้นแต่แม่ยังไม่เชื่อ ย, ยังหลงอยู่ครับถ้าเราต้องการพยายามฟ้องร้องเอาผิดมิจฉาชีพนั้นจะถือเป็นการจองเวรจองกรรมกันไหมครับเหมือนกับจะว่าเป็นการจองเวรกันก็ได้ วม่าแล้วแม่ปลอดภัยครับคุณปุ๊ครับบอกว่าเป็นแผลที่ลิ้นหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจปวดแสบมากๆแล้วภาพที่เคยตัดลิ้นนกเอี้ยงฉายภาพขึ้นมาอย่างนี้เป็นกรรมเก่าไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้น่ากราเพูดไม่ได้ตอบไม่ได้คุณศรินยาครับการที่เราเคยเห็น ดำเพเวสีดำดำเป็นคนเดินหรือเห็นเป็นคนแต่ไม่ใช่คนตามที่นั่นที่นี่คือบุญเก่าของเราหรือครับที่เห็นอย่างนั้นครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นบุเก่าไม่เป็นอะไรเก่าใหรารู้ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นก็เพราะว่าเราเห็นแต่เรารู้ตปเท่นี้ไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากเหตุใดไม่เกิเประโยชน์ คุณวีระครับบอกว่าเด็กสิบขวบเป็นสมาธิสั้นครับไม่อยู่นิ่งจะสอนให้ฝึกสติจะควรจะเริ่มแบบไหนดีครับก็พาไปน้างสมาธิอ่นี้ที่นี่ตอนนี้พ่อแม่พาเด็กมาตั้งแตายสองสามขวมานั่นงมสมาธิด้วยกันต้องฝึกกะฝึกเขาไปเราต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาตาตามคุณกุญจิลากครับ อาจารย์ครับถ้าการสื่อสารคุยกับผีต้องได้ฌานสี่ขึ้นไปใช่ไหมหรือว่าแค่มีซิกเซนก็พูดคุยกับผีได้ลูกเข้าใจว่าผีไม่มีรูปขันแล้วการพูดคุยต้องใช้จิตพูดคุยถ้าไม่ได้ฌานสูงก็ไม่น่าคุยได้เข้าใจถูกไหมครับคือต้องได้อุปจารสมาธิซึ่งไม่ใช่เป็นซึ่งเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างคือเข้าถึงฌานสีแต่ไม่อยู่ในฌานสี่ ม่นิ่เฉยๆออกไปรับเรื่องเรื่องต่างๆในรอบทิ้ง ไ, ได้ฉันเรียกว่าฌานสี่ก็ได้แต่ฌานสี่แบบที่ไม่อยู่นิ่งไม่เป็นองเบเกอรมีคุณสริญญาถามคล้ายๆกันครับเคยคุยกับผีถามเขาว่ามาทําไมผีเขาไม่ตอบวิ่งหนีเราหายไปอะไรทํานองเราเห็นและคุยได้ครับก็สิ่งที่เราเห็นมาอาจจะเป็นความทีป่ปรุงแต่งของเราเองก็ได้ ไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนเาต้องพิสูจนานู่งก่อนว่าเป็นสิ่งที่เป็นช้องจริงหรือไม่มีคนยืมเงินไปเป็นแสนครับแล้วไม่ได้คืนนานมาหลายปีแล้วจะวางใจอย่างไรดีครับค็คิดว่าเป็นเงินที่หายไปแล้วก็แล้วกนเงินที่ถูกขโมยไปคุณอัสดาวุฒิครับ นั่งสมาธิและฟังเทศพระอาจารย์ไปด้วยนั่งไปแล้วเหมือนตัวเองหายไปเหมือนหลับไปชั่วขณะแล้วพอพระอาจารย์เทศจบก็รู้สึกตัวอาการนี้ผมนั่งหลับหรือจิตเป็นสมาธิครับนั่งหลับ <laughs> ถ้าเราเดินออกจากคนที่เราครบแล้วไม่สบายใจแต่เราไม่โกรธแต่ครบแล้วไม่เป็นกุศลอย่างนี้ถูกไหมครับถูก บุญปูครับเรามีความตั้งไปฝึกที่โรงเรียนเพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนใต้แต่รู้สึกเหมือนถูกทางโรงเรียนหลอกเรามีความตั้งไปฝึกที่โรงเรียนเพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้นี่สองทีเหมือนกันครับขออนุญาตผ่านไปนะครับคุณย่าเวเ ฟ, ฟอร์ครับหนูชอบเอากล้วยไปไว้บนต้นไม้เพื่อให้นกให้กระรอกกินอย่างนี้ถือว่าทําบุญไหมครับ เคอว่าทำโดยง่ายแพทย์แนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ครับเราทำตามคำแนะนำอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับบาปแพทย์ก็ บ, บาปด้วยคุณสุริยาครับพ่อกับแม่ไม่เคยรักลูกเลยปล่อยลูกทิ้งขว้างเราโตมาต้องตอบแทนไหมครับใจเราไม่อินเลยครับ รเราอาร่านคำถามที่มาครับคือพ่อกับแม่ไม่เคยรักลูกเลยครับอันนี้เป็นลูกถามครับอาจารย์เลยปล่อยลูกทิ้งขว้างไว้เราโตมาแล้วไม่ต้องตอบแทนได้ไหมครับเพราะว่าใจเขาไม่อินครับคือเร า, าก็ยังเป็นลี้บุญคนท่านอยู่ดีเพราะท่านให้ร่างกายเรามาถ้าเรามีโอกาสหรือมีฐานะที่เรือเาเดือดรอนที่ร่ากายาดช่วแล้วก็คนรที่จะทดแทนบ้างนือถึงแม้เขาจะไม่ได้รีบเรามาเขาถาม อย่างน้อยเครื่งหนึ่งก็ว่าเมีบุญคุณกับเราเครื่นนงนะอห ง, ห น, งนนหนึ่งก็คือให้ร่างกายาให้กาเนดเราในเครื่องหนึ่งก็คือการเลี้ดูเราครับวัดตาพระกรรมฐานสายนูกปู่ ม, มั่นมีอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลไหมครับวิ่ใช่นะเราคนหาเลยเราค้นหาในกูเกิล เวลานั่งสมาธิแล้วฟังธรรมแบบนี้ได้สมาธิไหมครับได้แต่อาจจะไม่ได้ลึกนะได้ความสงบนเนคือท่านจะฟุ้งซ่านคิดเรงนั้นตร่งนี้จิตก็ อ, อยู่มมกับการคังธรรจิตก็จะมีความสงบได้ในระนาบถ้าฟ้าและแปรแปรเปรียบเหมือนคณิกาสมาธิแล้วถ้าอุปจารสมาธิกับอัปนาสมาธิพระอาจารย์จะเปรียบกับอะไรครับ ถ้าอปปนาสมาธิก็เหมือนกับการนั่งดูหนังไม่ใช่นั่งดูหนังนั่งนั่งนั่นแบบนั่งอยู่กับความว่างมานา น, านไม่มีอะไรเข้ามาให้เรารับรู้ไม่ว่าอปาาอนาานอปน า, าสมาธิอยู่คําว่างชวนอุปจารสมาธินี่ก็เหมือนนั่งดูหนังดูเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้แล้มีให้เราอยู่มีดงวิญญงนิงามมีดนโลกมีสวรรค์ให้ดูอันนี้เป็นอุป च ารสมาธิ มีวิธีฝึกสติให้ต่อเนื่องได้ผลดีนอกเหนือจากการบริกรรมจะทําอย่างไรได้บ้างครับก็เฝ้าดูการกระทาของร่างกายในทุกเมื่ย า, ยาบทของการเคลื่อนไหวตั้งแต่ลุกขึ้นมายืนนี้เราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังยืนพอร่างกายเดินก็ร่างกายกำลังเดินพอร่างกายหันหน้าไปทางซ้ายก็ ร, รู้ว่ากำลังหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาทํานองนี้คือให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวในทุกเมกื่ยาบทของร่างกายก็เป็นการชำระสติ ใช่เหมือ น, นันพระอาจารย์ครับตอนพระอาจารย์ฝึกก็ใช้วิธีนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ชวงไหนก็จะดูรางกายเปนลครับทําไมวันโกนมักมีเหมือนสิ่งมากระทบจิตใจครับเพราะอะไรครับเพราะอุปทานเพราะวันโกนก็อะไรก็ใจแล้วก็วมีอุปทานขึ้นมาเราควรจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันไหมครับ ควรเหมกินอาหารแล้วเราควรกินอาหารทั้งวันหรือเปล่าคุณพรพันธ์ครับอาหารที่ถวายพระสงฆ์เป็นอาหารแห้งเช่นอาหารกระป๋องโจกอาหารสเ็จรูปแค่นี้เลยครับอาจารย์คืออาหารนี่ถ้าเป็นอาหารที่ทานรับประเคนแล้วนี้ท่านจะเก็บข้ามเกินไม่ได้ท่านต้างทานต้องฉันบริโภคแล้วที่เหลือก็ต้องเสียสละไปคือไม่สะสมอาหาร ถ้าเป็นอาหารแห้งที่เราเก็บไว้ได้นี่ถ้าอยากจะให้พระท่านเก็บไว้เราต้องฝากลู้สิษไว้ไม่ให้ไม่อย่าไปถวายกับท่านนะท็อปเพราะถ้าท่านท่านนัดถวายท่านก็นัดฉันในวันนั้นถ้าท่านท่านเหนือท่านก็ต้องเสียสลับไปเอากลับมาฉันใหม่ไม่ได้สติกับตัวรู้ใช้ตัวเดียวกันไหมครับไม่ใช่ติเป็นตัวที่ทําให้รู้ ที่ดึงให้ตัวรู้รู้อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้รู้อยู่กับเราสติเป็นตัวหนึ่งตัวรู้ให้มันรู้อยู่กับเราเป็นตัวหนึ่งตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งตัวรู้ให้มันรู้กับเรื่องนั้นให้รู้กับเรื่องนี้คุณปรีดาครับคนเพิ่งเสียชีวิตวิญญาณกลับไปเยี่ยมบ้านจริงไหมครับ ก็เป็นไปไสำหรับนวงวิญญาณถ้าเรองดูอาหารที่ถวายพระเป็นพวกอาหารเสร็จรูปกับอาหารสดจะได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมัได้บเหมือนกั น, น, กนในฤดูหนาวถวายหมวกแบบ ไอโมงถุงมือและถุงเท้ายาวอย่างนั้นหนาถวายแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์ท่านสามารถสวมใส่เวลาจำวัดได้หรือไม่ครับเป็นการผิดวินัยสงฆ์ไหมครับไม่ผิดหรอกสามารถทำได้ถ้าเรายู่ใช้ในที่ส่วนตัวเช่นอยู่ในกุฏิแต่ถ้าเราเอามาข้างนอกนี่นนก็ควรพยายามที่จะถ้าไม่จำเป็นอย่างนใช้ก็อย่าไปใช้มันนะครับเพราะมันดูแลมันไม่ไม่เหมาะสมสำหรับเทวดาที่จะใส่ใส่ในร่างต่าง กราบขอปัญญาพระอาจารย์ครับถ้าไม่อินกับการกราบไหว้พญา น, นาคแบบนี้ผิดไหมครับในพุทธการพญา น, นาคคือผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาแต่ที่เห็นทุกวันนี้หลายคนกราบไหว้ขอพรและเรียกพญา น, นาคว่าปู่ย่าครับก็ไม่กราบไหว้ก็ไม่เสีย ที่บ้านส่งสุนัขไปฝึกที่โรงเรียนด้วยความตั้งใจที่จะให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไม่มีปัญหาแต่รู้สึกมืนถูกทางเรียนหลอกจากการกระทําหลายอย่างที่ไม่ใส่ใจเท่าที่ควรตอนนี้เสียใจและรู้สึกผิดมีแต่ความกังวลใจเราควรวางใจอย่างไรดีเพราะสุนัขเรายังต้องอยู่กับเขาต่อจุดครบกําหนดครับทําใจเฉยๆไป คุณพ่อป่วยหนักหมอให้น้องเซ็นการให้มอร์ฟีนแก้ปวดแล้วหลังจากนั้นสอวันพ่อเสียชีวิตรู้สึกทุกข์ใจกลัวบาปกลัวตกนรกทั้งที่ไม่อยากเซ็นแต่ก็ต้องตัดสินใจเซ็นแบบนี้ต้องวางใจอย่างไรครับถ้าเราไม่มีเจตนาะที่จะต้องการให้อ่าให้มอร์ฟี น, เ ป, นเป็นเครื่องที่ทาลายชีวิตของนั้นมีไว้เพื่อช่วยบรรเทาความความความทุกข์ความเจ็บปวดอันนี้ก็ไม่บาป อาจารย์มีคำถามบอกว่าทำบุญสิบครั้งมีวันหมดไหมครับหมดก็เวลาที่เราไปตายไปเราไปใช้บุญอยู่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้บุญเราส่วนใหญ่เรายังจะไม่ได้ใช้บุญนี้จะใช้ตอนที่เราไปตอนที่เราตายไปแล้วโยงวิญญาณเราก็จะเาบุญนี้ไปอยู่ในสวรรค์พอบุญที่เราทำนี้หมดของเราจะกลับมารอกเกิดเป็นมนุษย์ใหม คุณอานนท์ครับเรียนถามวันนี้มีข่าวว่าคุณยายตายแล้วมาถึงวัดแล้วฟื้นกลับมาได้อีกอย่างนี้เป็นจักบุญไหมครับอาจจะไม่ตายก็ได้บางทีบางทีคนตายแต่คมันยังไม่ตายก็ได้ไไดถึงเวลาก็ฟื้นขึ้นออกมาได้ในมงคลสามสิบแปดประการเรื่องการเลี้ยงดูสงเคราะห์ มอบมงคลชีวิตต่อตนเองลูกและคู่ชีวิตแต่หากมีการปล่อยประละเลยทิ้งครอบครัวและคู่ชีวิตเกิดขึ้นส่งผลกรรมหนักขาดมงคลผลกระทบอย่างไรบ้างที่เชื่ออริยสัจสีครับถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้มงคลถ้าทามันได้มงคล มีความคิดเป็นอคติกับพ่อแม่ครับเพราะความน้อยใจในวัยเด็กที่ไม่ได้มีความสุขเลยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็มีความคิดที่ไม่ควรควรจะคิดในสิ่งที่ที่เป็นคนดีวกว่าที่เป็นประโยชน์ดีกว่าคิดถึงบือคุณของท่านถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็จะเกิดมาไม่ได้คดคดคดคดแค่แค่นนี้ก็พอแล้วคุณคุณพ่อแม่แค่ี้ก็ร่นานาแล้วที่ให้กำเนิดกำเรามาแต่เมื่อท่านจะไม่รักเราถึงเมื่อท่านจะไม่เล่นดูเรา ไอ้บุญคนที่ท้านให้เรามาเกิดเนี่ยมันก็เป็นบุญคนอย่างมาหาศาลนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ต่อให้ใครเอาเงินมาร้อย้านพันน้านม า, นลานแล้วเราคงยังไม่ยอมไม่ยอมแลกด้วยนะใช่ไหมแค่คิดอย่างนี้อยู่พ่อแม่ของเราให้ของที่ในคนท่าก เ, เรามากที่สุดแล้วนะจะ อ, อะไรจากพ่อแม่ไม่ต้องแนละ้วแค่นี้ก็พอใจแนละ้วันยังพอใจไนดะ้คนยังดีใจ ทำอย่างไรจะพ้นความรู้สึกใจขุนมัวกับพฤติกรรมของคนรอบข้างครับก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงเขาอย่างนี้ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามเรื่องของเขามองง้อไปเมืนดินฟ้าากาศไปเราไปควบคุมบังครับไม่ได้ครับจะสอนจิตให้ดีได้อย่างไรบ้างครับเพราะบางครั้งมีความคิดลบมีความคิดโมโหอยู่ครับก็คอยเตือนใจอยู่เรื่อย มตเป็นใหญ่แล้วต้องทำความดีนะแล้วต้องคิดดีพูดดีทําดีครับมีการเบิกบุญมาใช้ในชาติปัจจุบันอย่างนี้ทําได้จริงไหมครับอาจารย์เราไม่ได้ลบดญ ม, มันจะส่งผลของมันเองถ้าถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่ส่งผลเราไม่เบิกเราจะเบิกจากใครนะรักษาศีลไม่ครบ สามารถนั่งภาวนาได้ไหมครับได้การถือศีลแปดอยู่บ้านถือว่าเป็นการบวชพรามไหมครับได้ก็ยังว น, นได้คมว่าคำนี้เรียกว่าบวชพรามนี่คำว่าเกิด ก, การเนะการเสพการนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจพุโทโธสักพักจิตมันปล่อย ไม่อยู่ลมหายใจและพุโทโธแต่กลับไปพิจารณาความสงบของจิตแทนถ้าสงบก็อยู่กับความสงบแต่ถ้าเมื่อไรฟุ้งจะกลับไปอยู่กับพุโทโธไม่ทราบว่านั่งสมาธิแบบนี้ได้ไหมครับนั่งสมาธิ่อจิตสงบถ้าจิตสงบก็ไม่ต้องทำอะไรรักษาความสงบนั้นไว้อาชีพหมอรักษาคนมีบุญมากกว่าอาชีพอื่นไหมครับ การทําบุญที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับพระอาจารย์การไม่กลับมาเกิดการฆ่ากิเลสที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดฆ่าความโลภความโกรธความโมโได้สบายชนะตนเองกับชนะผู้อื่นชนะกิเลสของเรา นักการเมืองโกงกินทำไมเขาไม่เห็นเป็นอะไรครับยังไม่ถึงเวลาคุณป้อมถามว่าจะวางจิตอย่างไรให้ไปสู่สุขติไม่ตกต่ำตอนจะตายครับคุณทำบุญเยอะๆทำบุญให้มากกับบาคุณวันวิสาครับ กับขอโอกาสเรียนถามอาจารย์อีกครั้งครับคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วตอนนี้อัฐิของท่านทั้งสองท่านก็ได้เก็บไว้ในเจดีย์ที่บริเวณวัดกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการเก็บอัฐิไว้ในเจดีย์หรือเอาอาัฐิของท่านไปปล่อยลอยอังคารหรือนำอัฐิของท่านไปทําพิธีฝังลงไปในดินอันไหนจะดีกว่ากันครับเพราะถ้าเก็บรักษาอาัฐิไว้ในบริเวณวัดจะตกเป็นภาระทางวัดต้องดูแลหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไม่นู้นะจะเก็บไว้ยังไงก็เหมือนกันนะครับ แต่ต้องดูความเหมาะสมกันว่าชิอันนี้มันเหมาะสมหมดกันแต่ผลมันไม่ตักงกันอันที่มันก็เป็นชาติด่นนั่นเอมันจะไปไว้ที่ไหนก็ไว้น้คุณแม่เสียไปนานแล้วพี่ชายเคยตัดผมให้ท่านตอนมีชีวิตอยู่แล้วเอามาให้เราเก็บไว้เราควรนำไปทำยังไงต่อดีครับทำอะไรก็ได้แล้วแต่เรา การนอนฟังธรรมะจนหลับเป็นประจำอย่างนี้เป็นบุญไหมครับไม่เป็นนะมันเป็นยานอนหลับครับตัวรู้คือผู้รู้ใช่ไหมครับสิ่งที่ถูกรู้คือสิ่งที่อยู่ภายนอกใช่ไหมครับคือ่านรู้ตัวรู้คือ่านรู้้ารู้นี้มีการสามารถที่จะรู้้าตุหนึ่งไม่มีการสามารถที่ทาาจะรู้้าตุหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไร่า น, นหนึ่งนั่งลมไฟ คือีทางตรงทางทีางสามารถที่จะรู้อะไรได้แล้วบอกว่าสิ่งที่ถูกรู้คือสิ่งที่อยู่ภายนอกใช่ไหมครับอาจารย์อ่าก็เสิยงก็ทั้งภายนอกทั้งภายในเพราะในภายในของผู้รู้ก็มีความเสียงที่ที่สามารถรับรู้ได้อยู่สีอย่างก็คือเวทนาสัญญาอสังขารมุญญาณช่วงนี้ที่บ้านมันก็ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงเรียกให้ตื่นทั้งๆที่ไม่มีใครเรียก หรือมีเสียงดังอื่นๆแต่ไม่มีใครตรงนั้นแบบนี้ถือว่าเราปรุงแต่งไปหรือเปล่าครับถ้าเราถามสาเหตุไม่ได้ก็ก็อย่าไปสนใจะครับอยานั้นเาปรุงแต่งไม่ได้ไม่สำคัญเขาสำคัยก็คือว่าเราอยากไปวุ่นวายกับมันนีแหละครับถ้าการดําเนินการทางกฎหมายกับคนชั่วคือการจองเวรจองกรกรมกันแล้วเราจะหยุดคนชั่วทําผิดกับบ้านเมืองหรือประชาชนได้อย่างไรครับ การไม่ทําอะไรเลยจะเป็นการละเลยไม่ช่วยสังคมอย่างนี้เป็นบาปหรือไม่ครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของกฎหมายกักนเราไม่ใช่เป็นราม่นมมนหน้าที่ที่จะต้ อ, อคอยจากาคนเขบคุกเขี่ยมันเป็นหน้าที่ของนัาจัดการเขามีตำํำรวจมีศาลมีอะไร่างเขาทำไปตามไว้ก็ทําไปตามหน้าที่ของเขาถ้าเราไม่อยากจะมีเวรกรับใครถ้าเราไม่กลัวเวรกรรมก็ไปแจ้งความฟ้องร้องอะไรกันไป คนที่ถูกแจ้งความถูกฟ้องร้องเขาก็ต้องโกรธเราเป็นธรรมดาฆ่าพยาบาทเราเป็นธรรมดาเวลาที่เราใส่บาทและมองเห็นพระท่านไถ่เส้นผมเป็นเส้นๆสามเส้นเรานึกทำไมท่านตัดแบบนี้ก็เลยนึกคิดที่เราใส่เพื่อสืบทอดเพื่อศาสนาแทนดีไหมครับทำไมไม่ถามท่านมาถามเราทำไม <laughs> คุณธิดาครับของสังฆทานที่ได้บุญมากควรจะเป็นอะไรครับเหมือนกั น, นะ น, นอะสังฆทานไ่เป็นประโยชน์กับผู้รัเทานการทำบุญทําทานต้องโอทิตให้เจ้ากรรมในเวรไหมครับแต่ละท่านตอบไม่เหมือนกันก็เลยยังมีความสงสัยครับน้าแต่เราเราอยากจะโ อ, อทิตก็ได้ไอิตก็ได้ถ้าฝึกปฏิบัติ สามารถถอดจิตได้จริงไหมครับและถ้าถอดจิตได้จะถือเป็นการชี้วัดว่าบรรลุธรรมไหมครับไม่ทราบควำวมาของกานถอดจิตแล้วเป็นเป็นอย่างไรถอดจิตนี่ไม่ไม่เข้าใจผมเข้าใจไหมถอดจิตเนถอดจากที่ไหนไปไหนผมผมเข้าใจไปเองว่าอาจจะเป็นลักษณะของอ่าอุปจาระสมาธิแบบนั้นไหมครับอาจารย์เห็นนู่นนี่ดีไหมครับรอาจารย์ ถ้าสามาเข้าถึงอระดันน บ, บนั้นได้ก็สามารถเห็อะไรได้มันานชาติได้อ่นจิตใจของคนนั้นอ่านความคิดขพงผเหมื่นได้ติดต่อกายทิพย์ได้อันนี้เขาเรียกปัจจารสมาธิแต่จะเข้าถึงตรงนี้ยากเพราะว่าไม่มีใครสอนโดยเดีจะสาธิตเข้าปัญญาสมาธิกันครับใ น, นคนที่เข้าปัจารสมาธิได้นี้จะมีน้อยมากแนะเขาถามว่าแบบนี้ถือว่าชีวัดว่าบรรลุธรรมไหมคะพระอาจารย์ ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมยังไม่ได้เป็นพระอนิยาบุคคลทำบุญแบบไหนได้บุญสูงที่สุดครับก็ทำบุญด้วยการฆ่ากิเลสฆ่าความโลภ ก, ก่อนลงได้บุญสูงที่สุดพอจะได้นิพพาน คุณสมศักดิ์บอกว่าเวลานั่งคุยกันไม่เหนื่อยไม่ง่วงพอจะนั่งสมาธิก็เกิดอาการง่วงขึ้นทันทีจะแก้อย่างไรครับอาการมันเกิจากหนึ่งไม่เีสติพอหนึ่งเราพยายามฝึกสติให้ ม, มากๆอีกอาการหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการที่เรากินมากเผินไปมันก็เลยทำให้เราง่วงได ไม่ค่อยมีเงินทำบุญที่วัดครับแต่ภาวนาระหว่างวันได้บ้างสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนไม่ขาดอย่างนี้ได้บุญเหมือนกันไหมครับก็ได้เหมนกัน แ, แต่เป็นเครย่อย่างผููพิพากษาที่ตัดสินคดีให้ประหารชีวิตนักโทษอย่างนี้เป็นบาปไหมครับเป็น ถวายอาหารให้กับพระสงฆ์อาพาธเราไม่กวดน้ำได้ไหมครับได้กวดกระแลไม่กวดกายตอนนี้อาจารย์ตอบคำถามหมดเลยครับอาจารย์ครับ<ม>เดี๋ยวอีกสองนาทีนะครับอาจจะส่งมาได้อีกสักสองถึงสามคำถามนะครับถ้าท่านอยากจะยังมีคําถามค้างอยู่นะครับวันนี้น่าจะตอบได้เยอะนะครับอาจารย์ครับ ใช่คำถามตอบชั้นขั้เยอะครับผมเคยมีพระอาจารย์ที่ท่านละสังขารไปแล้วท่านทักเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วเกิดขึ้นจริงอย่างนี้เป็นจริงได้ไหมครับถ้ามันเป็นจริงก็เป็นจริงเลยมีคําถามว่านารกมีจริงไหมครับพระอาจารย์มีรนรกสวรรค์มีจริงครับวิธีอย่างไรที่จะโหสิกรรมคนได้ดีที่สุดและเร็วที่สุดครับ ก็อย่าไปคิดถึงเกาเลยเนืไปเลยครับการใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ความขุ่นมัวของใจเบาบางไหมครับการปฏิบัติธรรมก็ช่วยแตาวห้จิตใจสงบอันจะอาการขุ่นมัวต่ตางๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามนำดับโอ้พรอาจารย์ครับมีท่าน เลขาธิการแพทยสภามาถามเองครับอาจารย์ครับอาจารย์นิตพรนะครับแพทยสภาตัดสินลงโทษแพทย์ที่โฆษณาเกินจริงอย่างนี้เป็นบาปด้วยไหมครับคือเป็นการเป็นการตัดสินเนียก็เป็นการลงโทษเป็นตามถ้าเป็นไปตามกฎระเบียบก็ไม่บาปไม่ทำเรื่องเจตนาที่มีความมาฆ่าพยาบาิแต่ที่ที่ทาใน เ, เรื่องพวกพู้ว่าษานี้ มันก็ถ้าเป็นสั่งให้เขาค่าตัวถึงแม้ตัวเองไม่ได้ฆ่าเองก็บาทเหมือนกันครับคำถามสุดท้ายครับนอนทําสมาธิได้ไหมครับพระอาจารย์ได้แต่จะไม่ได้สมาธิจะได้หลับสามทุ่มครึ่งพอดีครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับ วันนี้พระาอาจารย์อในเฟซมีเพื่อนเพื่อนดูอยู่4086ท่านนะครับในยูมี567ในคลับหกในทิกต อ, อก511ครับรวมเพื่อนๆชมด้วยกันตอนนี้ 1,564 ท่านนะครับเริ่มอ่านคําถามแรกเวลา20นาฬิกา21นาทีนะครับพระอาจารย์ตอบไป125คําถามครับผมก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาถามตอบคําถาม หวังว่าคงจะได้ปัญญาไปไม่ไม่ไมากก็ น, น้อยใ น, นการศึกษาธรรมตลับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนัอเสียที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าใงธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทอสาธุก็ขอจนต้อตขอลาเุณหน้อนะท่านผู้ชมผู้ฟังเพียงนี้ ถ้าไม่มีเกัรเข้ามวันดก็คงมะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาแบบมขออภัยอาจารย์กัาบขอขอบพระคุณพระาจารย์ครับ